ชาติพบและบุญบาปนั้นเป็นคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่คู่กันอย่างสอดคล้องจนมิอาจแยกจากกันได้ดังเช่นเรื่องราวชีวิตและความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่รักมั่นผูกพันกันทุกชาติภพ ไม่ด้อยและน้อยไปกว่าคู่รักคู่ใดในทุกตำนานรักและนี่คือเรื่องราวของเขาและเธอคู่นั้นกามนิษวาสถี ในสมัยพุทธกาลครั้งเมื่อพระสากยมุนีสามมาสามพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสในโลกเพื่อโปรดสัพพสัตให้ตื่นขึ้นจากความหลงที่เป็นเหตุปัจจัยให้ต้องทุก รมาเวียนเกิดเวียนตายมานานแสนนานให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดดินแดนพิสารของจมพูทวีป ในการนั้นแบ่งเป็นหลายแคว้นประเทศครอบครองโดยชนชาติซึ่งต่างก็มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองอาณาจักรของตนซึ่งนักกรุงอุเชนีนี้เองมีชายหนุ่มรูปงามนามว่ากามนิตเป็นบุตรของพ่อค้าผู้มั่งคัง่งแต่เรียนรู้ศิลปะวิทยาการหลายขแขนงเจนจัดในวรรณกรรมกรอนการดนตรี คัมพีพระเวทและกระทั่งศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมวยปล้ำฟันดาบเป็นหนุ่มน้อยเพียบพร้อมด้วยความสามารถรอบด้านเป็นที่เรื่องลือของชาวเมืองอุเชนีได้วยวเพียงยี่สิบปีโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝันข้าเบามือหน่อยก็ได้กันมนิทฮ่าฮ่า่าข้าจะเบามือให้พวกเจ้าริ่งไร นี่มื่อฆ่าต่อยพวกเจ้ารุมสู้ฆ่าพร้อมกันทีเดียวอยู่สองคนแล้วนี่นะนี่เนี่นะี่เนี่ยนะรับมือฆ่าให้ดีๆแต่ฆ่านั้นไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเห็นที่จะต้องขอยอมแพ้อีกสักครั้งฆ่าก็ด้วยเหมือนกันขอยอมแล้วละ่ะอ้าวแล้วกันสิพวกเจ้าทำไมยอมแพ้ฆ้าย ง, ง่ายเช่นนี้เล่าไม่เห็นจะผิดแปลกอันใดเลยกรรมนิษฐ์ทั่วทั้งกรุงอดชนีของเราเนี่ยใครประดดาบสู้กับเจ้าได้สักคนเล่า ดังนั้นเราสองคนก็เช่นกัน <laughs> <laughs> ท่านกรรมนิท่านกรรมนิธบ่าวของพ่อแค่เองเจ้ามีเรื่องอนไรหรือถึงได้วิ่งกระหืดกระหอบมาเช่นนี้ท่านท่านพ่อท่านพ่อท่านกรรมนิท่านพ่อของท่านอ่ะเพิ่งกลับมาจากเข้าเฝ้าพระราชาแล้วก็สั่งให้เรียกหาท่านนี่แหละก็ น, นั้นหรือแล้วนี่เจ้าพอจะรู้อะไรอีกบ้าง นายเยาว่าจะเป็นเรื่องดีนะท่านกัมมณิตพระราชาเตรียมส่งคณะราชทูตไปเจริญไมตรีกับพระเจ้ากรุงโกสัมพีแล้วท่านพ่อของท่านกัมมณิตก็จะจัดกองเกวียนสินค้าไปค้าขายที่กรุงโกสัมพีด้วยโดยสมทบไปกับคณะราชทูตเลยอ๋อนี่เจ้าหมายความว่าท่านพ่อข่าจะให้ข้าไปกรุงโกสัมพีด้วยใช่ไหมดูเหมือนจะให้ท่านกัมมณิตคุมกองเกวียนสินค้าไปขายเองเชริท่าน โอ้โหเจ้าจึงโชคดีจริงๆกา ม, มนิตใช่ข้าก็อิจฉาเจ้าอ้าวสายค่าทั้งสองเจ้าสองคนก็เดินทางไปเที่ยวกรุงโกสัมพีพร้อมกันกับข้าสิคงเป็นไปไม่ได้แล้วกา ม, มนิทหนทางยาวไกลเต็มไปด้วยอันตรายพ่อแม่ของข้าไม่ยินยอมให้ไปแน่ถูกแล้วล่ะและอีกอย่างเรื่องการเรียนของเราทั้งสองคนก็ยังไม่สาเร็จไปถึงไหน เราสองคนจะทําอะไรได้ไม่เชี่ยวชาญเท่ากับเจ้าเลยชาวกุงอุตเชนีของเราเนี่ยหากใครยังทําอะไรได้ไม่เชี่ยวชาญเท่ากับเจ้าก็ยังไม่มีใครยอมรับหรอกพระเจ้าเท่แท้เชี่ยวกรามิณิ์ที่ทําให้เราสองคนน่ะแลดูยังได้แล้วนี้เมื่อเจ้าไม่อยู่สสาวกุงกุตเินีจะทําเช่นไรกันเล่าเจ้าสองคนก็ดูแลไปสิข้าไม่เคยไปดูแลยุ่งเกี่ยวกับหญิงได้สักคนนี่นามีแต่เจ้าสองคนนั่นแหละ ที่พยายามจะยุยงค่ายเลือกสาวคนนั้นคนนี้ก็สาวๆกุงวดเช่ น, นีแล้วเนี่ยต่างลุมล้อมกันนต่เพียงเจ้าคนเดียวจนไม่เหลียวแลชายใดกันเลยนี่นะถ้าเช่นนั้นเราก็จะได้เป่าประกาศซะเลยว่ากาบณิตนุ่มได้ไปหาคนรักที่กุงโกสัมภี์เสร็จแล้วและอาจจะแต่งงานอยู่กินกันที่นั่นเลยขลานี้ละสาวงามทั้งหลาย จะได้หันมาสนใจเราสองคนกันบ้างว่าสตเจ้าจะทําเช่นนั้นเชียวนะกามนิธิเพราะหากเป็นเช่นนั้นละก็สาวสาวกรุงอุเฉนีคงพากัน ร, ร่ําให้น้ําตาท่วเมืองเป็นแน่แท้กามนิธิได้รีบกลับมาหาบิดาของเขาที่คฤหาสน์บิดาของเขาได้เรียกกามนิธิเข้ามาสวมกอดด้วยความรักและเริ่มต้นสอนสั่งบุตรชายผู้เป็นดวงใจ ด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่บุตรชายจะต้องห่างจากบ้านห่างจากอ้อมอกของผู้เป็นบิดาก็เินิตลูกรักพอปลื้มใจในตัวเจ้านับที่เจ้าได้มีความขยันหมั่นเพียรและเชื่อฟังในคำสั่งสอนของพ่อและแม่ดยดีเสมอมาอันการศึกษาของเจ้านั้นก็ได้เรียนรู้จนเชี่ยวชาญแล้วสิน้นแทบจะทุกคะแนน จนเป็นที่ยอมรับนับถือในความสามารถของเจ้ากันเป็นอย่างดีก็เพราะด้วยการสั่งสอนและการวางรากฐานที่ดีให้กับลูกของพ่อแหละขอรับลูกถึงเป็นเช่นนี้ได้นี่นะกรมณิโลูกของพ่ออายุของเจ้าก็ยี่สิบปีแล้วพร้อมแล้วที่เจ้าจะก้าวขึ้นเป็นผู้สืบต่อวงตระกูลครอบครัวของเรานั้นเป็นวรณะแพทย ที่ทำการค้าซืบตตอกันมายาวนานบรรพบุรุษของตระกูลเราต่างได้สร้างสมบุญบารมีไว้มากจนทาให้เรามีวันนี้เป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาจากทุกชนชัน้นวรณะนี่พ่อก็เพิ่งกลับมาจากการเฝ้าพระราชาพระองค์ทรงเตรียมทรงคณะราชทูตไปเจริญไมตรีกลาบพระเจ้าอุเทนเจ้ากรุงโกสัมพี และพ่อก็ได้ทูลขอกับพระราชาที่จะทรงเจ้าให้ได้ร่วมไปกับคณะราชทูตในครั้งนี้ด้วยโดยนำกองเวียนไปค้าขายที่กรุงโกสัมพีลูกกระหายที่จะได้ทำหน้าที่อันสำคัญนี้มานานแล้วลูกดีใจและภาคภูมิใจยิ่งนะักที่พ่อให้ความไว้วางใจในตัวลูกลูกเอ๋ยนี่นับเป็นโอกาสอันดียิ่งของเจ้าแล้ว เจ้าจะได้เรียนรู้โลกที่กว้างใหญ่กว่าที่เจ้าคุ้นเคยกรุงโกสัมภีนั้นเป็นประเทศที่มั่งคั่งใหญ่โตและเจริญยิ่งเหมาะที่จะไปทําการค้าและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมต่างๆของเขาและยังจะได้มีโอกาสสมาคมกับชนชั้นสูงต่างๆอีกด้วยแต่การที่จะเดินทางไปตามลําพังเฉเพาะกองเกวียนพอก้านั้น เป็นเรื่องที่ยากยิ่งโดยเพราะมีหนทางที่ยาวไกลและมีอันตรายรอบด้านดังที่เจ้าเองก็ได้ยินข่าวคราวเสมอมาลูกจะใช้โอกาสอันดียิ่งนี้ทำการค้าและเรียนรู้และจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดให้สมกับที่พ่อและทุกๆคนหวังและตั้งใจไว้นี่พ่อก็ได้ฝากฝังเจ้าไว้กับท่านราชทูตอีกด้วยแล้ว เจ้าจงเชื่อฟังคำแนะนำสอนสั่งของท่านรัชทูตให้ดีและเมื่อไปถึงกรุงโกสัมพีแล้วนะก็ให้ไปพบเพื่อนสนิทของพ่อที่นั่นชื่อว่าประนาตเจ้าจะได้พำนักอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาและจะได้รับการช่วยเหลือแนะนำเรื่องการค้าจากเขาด้วยซึ่งก่อนเจ้าออกเดินทางพ่อก็จะทำหนังสือถึงเพื่อนของพ่อให้เจ้าถือไป ตอนนี้เจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะวันรุ่งขึ้นมีเรื่องที่เจ้าต้องจัดเตรียมอีกมากเพราะอีกเพียงสองวันเจ้าก็จะต้องเดินทางแล้วลูกขอออกไปพูดคุยสั่งการพวกบ่าวไว้ก่อนเลยดีกว่าเช้ารุ่งขึ้นมาทุกคนจะได้พร้อมออกเตรียมงานกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานี่เจ้าคงร้อนวิชาละสินะเจ้าเช่นนั้นก็ได้ตามใจเจ้าเถอะ แต่อย่าได้ลืมรีบไปพักผ่อนเสียละเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญจงจำเอาไว้นะว่าจะทำอะไรก็ตามอย่าให้เสียการใหญ่ได้เจ้าหนี่เองรอหรือพ่อกำมนิษน์นมข้ามาได้เห็นเจ้าจะหลายปีกลายเป็นหนุ่มรอสมคำร่หลือ ใช่ขอรับท่านราชทูตข้ากามณิตขอกราบคารวะท่านข้าเองก็ต้องขอขอพระคุณท่านราชทูตอีกครั้งและขอฝากลูกชายของข้าแก่ท่านด้วยโปรดสอนสั่งและแนะนำเขาให้ได้วิชาความรู้ดีๆจากท่านไวเทิดไม่ต้องเป็นห่วงขารับท่านเราก็ไม่ใช่คนอื่นไกลข้ารับปากท่านว่าจะดูแลเขาให้ท่านเป็นอย่างดี จงสบายใจในเรื่องนี้เถิดส่วนเรื่องวิชาความรู้นั้นข้าคงไม่มีอะไรจะให้แก่เขาได้รักระมังท่านเพราะเป็นที่รู้กันทั่วกรุงอุเชนีอยู่นี่นาว่ากัมมณิตหนุน่มน้อยผู้นี้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งอย่างนั้นไม่ใช่รู้กัมมณิตไม่จริงหรอกขอรับท่านราชทูตดข้าเองยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมากนะักคงต้องขอความเมตตาจากท่านราชทูตดช่วยแนะนําสอนสั่งแก่ข้าด้วย <c oughs> ถ้าเจ้าคิดว่าข้านี้มีอะไรที่พอจะสอนเจ้าได้ละก็ข้าก็ยินดีเออนิเนี่ยกามนิษเราจะต้องเดินทางกันนานนับเดือนข้าไม่เห็นสาวคนรักของเจ้ามาส่งเจ้าเลยละกามนิษฐข้ายังไม่มีคนที่รักใครหรอกขอรับท่านราชทูตช้อยหนุ่มรูปงามที่เพียบพร้อมเช่นเจ้าแต่กรับยังไม่มีคนรักนี่ไม่กล้าว่ากรุงอูเชนีของเราไม่มีสาวงามที่ต้องใจ เจ้ารวยสักคนรดยรึกกำมนิตข้านี้ยังไม่พบเจอนะ่ะคอรับท่านแม่นี่ถ้าข้ามีทิดากับเขาสักคนนะข้าโค้งจะต้องนำพามาให้เจ้าได้พบเจอเป็นแน่โดยเพื่อว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่ของเจ้าและข้าก็โค้งจะมีความสุขยิ่งนักเออนี่กำมนิดนี่เจ้าโคงจะมีความเชื่อในเรื่องของเนื้อคู่รัินะเป็นเช่นนั้นจริงๆขอรับท่านข้านี้มีความเชื่อว่า คู่ครองของข้านั้นสวรรค์จะเป็นผู้กําหนดและข้าจะมีหญิงสาวที่เป็นคู่ของข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นข้าจะไม่คิดข้องเกี่ยวยิงใดที่ไม่ใช่เป็นเนื้อคู่ของข้าเจ้านี่นับว่าคิดได้ประเสริฐนักกามนิธิเอาละ่ะนี่เจ้าพร้อมกันแล้วใช่ไหมข้าทุกคนพร้อมแล้วขอรับท่านราชทูตถ้าอย่างนั้นเราเริ่มออกเดินทางกันเถอะข้าไปก่อนแล้วนะท่านก้าบดี ขอท่านจงประสบเตโชคดีและสําเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งเถิดขอรับท่านราชทูตและเจ้าดุยนักกามณิตรูปรักของพ่อเจ้าจงรักษาตัวให้ดีนักามณิตลูกของแม่ขอเถเพ ย, ยดาเบื้องบนได้โปรดคอยปกปักรักษาคุ้มครองลูกชายของข้าให้ปลอดภัยด้วยเถิดลูกขอกราบลา และลูกขอสัญญาแก่พ่อและแม่ว่าลูกจะไม่ทำให้พ่อและแม่ต้องผิดหวังแม้แต่น้อยและจะรีบกลับมาโดยเร็วเพื่อที่จะได้ไปทำการค้าขายในที่อื่นอีกลูกไปล้การเดินทางออกสู่โลกว้างเป็นครั้งแรกของชายหนุ่มและเริ่มต้นขึ้นแล้วการมนิษมีความมุ่งมั่น และความหวังมากมายอยู่เต็มหัวใจหนทางจากกรุงอุเชนีสู่กรุงโกสัมพีนั้นยาวไกลทั้งมีอันตรายจากสัตว์ร้ายและหมู่โจรอยู่ตลอดทางแต่ด้วยเป็นขบวนของคณะราชทูตอารักขาด้วยรีพลก็ยากยิ่งที่พยันตรายใดจะมาเบียดเบียนได้จนเวลาผ่านได้เดือนหนึ่ง คณะของราชทูตก็มาถึงกรุงโกสัมพีซึ่งเป็นนครที่แม่น้ำคงคาไหลผ่านโหโหนี่นงกามนิษ์บัดบนี้เราได้เดินทางมาถึงกรุงโกสัมพีแล้วเจ้าเห็นแม่น้ำข้างหน้านั้นใช่ไหมนี่ละแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ นี่เองแม่น้ําคงคาที่คาเคยฟังและร่ําเรียนมาข้าเพิ่งไปจากแต่สายตาก็วันนี้นี่เองโอช่างสวยงามเหลือเกินแม่น้ําสีเหลืองสายนั้นคงคือแม่น้ําคงคาที่ไหลามาจากภูเขาอันหนาวเย็นทางอุตรประเทศที่มีหิมปะปกคลุมตลอดทั้งปีและแม่น้ําสีขเขียวสายนั้นก็คงคือแม่น้ํายมุนาเป็นแน่แท้ผู้ถูกต้องแล้วกมามนิตแม่น้ําคงคาและแม่น้ํายมุนา ได้ไหลามาลวมกันที่กรุงโกสัมพีแห่งนี้ในยามค่ำคืนนะเจ้าจะได้เห็นทางช้างเผือกพาดผ่านท้องฟ้ามาบรรจบ ก, กับแม่น้ำทั้งสองสายนี้กลายเป็นแม่น้ำสามสายมาบรรจบ ก, กันจึงเรียกตำบนนี้ว่าจุราตีคูณอย่างไรเล่าคารมเนต ยกมือขึ้นจบไหว้บูชาแสดงการคารวะต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และหันมาไหว้ต่อท่านราชทูตข้าต้องขอบพระคุณท่านราชทูตอีกครั้งที่ท่านเมตตาต่อข้าให้ได้มีโอกาสร่วมเดินทางมากับคณะของท่านข้าจะตั้งใจทํางานค้าขายสินค้าให้หมดโดยเร็วและขอสัญญาว่าจะไม่ทําการสิ่งใดให้เสื่อมเสียแก่พระราชาแก่ท่าน และแกะกรุงอุเชนีของเราเจ้าคิดดียิ่งแล้วกามานิตไม่เสียทีที่ชาวกรุงอุเชนียึดถือเจ้าเอาเป็นแบบอย่างของคนหนุ่มูุ้เพียพร้อมทุกด้านเจ้านั้นนับว่ามีบุญเกิดมาพร้อมโชควาสนาได้มีโอกาสดีๆในชีวิตมากมายที่ชายหนุ่มทั่วไปไม่มีเช่นเจ้าจงใช้โอกาสของเจ้านี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าทนกักกามนิตเอา้า ไปกันได้พวกเราจะรุปขบวนเข้าสูก่กรุงโกสัมพีกันเถิดเมื่อคณะราชทูตเข้าสู่กรุงโกสัมพีแล้วท่านราชทูตก็เข้าเฝ้าพระราชาและปฏิบัติภา ร, รกิจอื่นๆส่วนกามนิศก็ไปพบกับประนาตผู้เป็นเพื่อนของบิดาได้ได้เข้าพำนักอยู่ณที่คฤหาสน์ของประนาตนั้น หลังจากที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกาบมณิทก็ได้รีบไปที่ท่าน้ำที่ใกล้ที่สุดเพื่อลงไปสัมผัสกับแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตนปรารถนามานานทั้งเพื่อชำระล้างมวลถินและบาปให้สิ้นตามความเชื่อที่ถูกพร่ำสอนมาและยังได้อาศัยชำระล้างร่างกายให้สะอาดสดชื่น หลังจากที่เดินทางรอนแรมมายาวนานหลายเดือนโอ้ oh. ข้าช่างรู้สึกสดชื่นและเบิกบานใจจริงๆช่างมีผู้คนศรัทธาต่อพระแม่คงคามากมายเกินข้าจะขอนําน้ำจากพระแม่คงคาอันศักดิ์สิทธิ์นี้บรรจุลงขวดกลับไปให้พ่อและแม่ของข้าที่กรุงอุดเชนีด้วยจากนั้นกาเมนิศก็เริ่มออกค้าขาย และด้วยการช่วยเหลือแนะนำของเพื่อนบิดาเพียงแค่สองสามวันสินค้าทั้งสิบสองเล่มเกวียนก็ขายหมดสิ้นทั้งก้านซื้อสินค้าพื้นประเทศและแพร่พันอันเรื่องชื่อของกรุงโกสัมพีตามคำสั่งของบิดาไว้ได้ครบถ้วนจึงมีเวลาเหลือที่จะไปเที่ยวชมพระนครกับโสมทัศน์บุตรของประนาธเพื่อนบิดาซึ่งเป็นหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกัน กามนิทกามนิทโชคดีของท่านและเราวันนี้ข้ากามนิตจะมีโชคดีเรื่องใดหรือสมทัศน์สายข้าเรื่องใดนั้นแล้วท่านก็จะรู้เองตอนเนี้ท่านเตรียมแต่งกายให้งดงามเถิดพราะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อุทยานนอกกรุงกันวันเนี้ยจะเป็นวันที่เจ้าได้เห็นเหล่าสาวงามของกรุงโกลสัมภีที่มารวมกันที่นี่พร้อมกันหมดเลยชุยละสมทัศน์สายข้า ท่านนี่ช่งรู้จิตใจข้า ย, ยิ่งนักตั้งแต่มาถึงกรุงโกสัมพีได้สามีวันนี้แล้วค่ายังไม่ได้พบเห็นสาวงามต้องใจสักคนเลยวันเนี้ท่านได้พบเจอแนะ่เพราะว่าเหล่าสาวงามซึ่งเลือกสรรแล้วจากตระกูลชั้นสูงจะมาเล่นคลีเพื่อบูชาพระรักษ์สมีเทวีแห่งเขาวินไทยกันงั้นเราจะช้าอยู่ใหญ่เล่าโสมทัสหายข้าเรารีบไปกันเถิดถ้าพร้อมแล้ว โอยโอ้ยอยิจใจขอท่านจะฉุดลากเข้าไปเลยหรือกรรมนิดนิชายหนุ่มกรุงเอเัจฉริเขาใจร้อนเช่นท่านกันทุกคนเลยหรือเปล่าหนอโอขอโทษทีสหายข้าก็เมื่อฟังท่านเล่าถึงบรรดาสาวสาวแห่งกรุงโกสัมพีใจของข้าก็ลอไปถึงที่นั่นก่อนแล้วและใครจะรู้ได้เนื้อคู่ของข้าอาจจะรอข้าอยู่ที่นั่นก็เป็นได้ฮ่าฮ่ถ้า ง, งั้นไปกันเลยสหายข้า เราไปหาเนื้อคู่ของท่านกันกาวมณิชนุ่มแห่งกรุงอุดเชนีจะมีเนื้อคู่อยู่ที่กรุงโกสัมพีหรือนี่โอ้ผู้คนช่างมากมาจริงๆนะสมทัศสมกับเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ก็แน่ละสินี่ไม่ได้มีเฉพาะแต่ชาวกรุงโกสัมพีหรอกนะชาวเมืองข้างเคียงก็มาร่วมชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้กัน ข้าว่าคืนเรายืนดูอยู่ข้างหลังเช่นนี้เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นใบหน้าของสาวงามบนเวทีเป็นแน่ข้าฉาทางแทรกผกคนเข้าไปชมใกล้ๆแล้วนะอ้าวอๆา้าอพูดแล้วก็ทิ้งข้าไปเลยหรือกามนิดเดี๋ยวสิรอค่าด้วยการมนิดกามณิดขณะนั้นการมนิดหนุ่มได้เบียดเสียดผู้คนจนได้มายืนอยู่ใกล้ด้านหน้าเวทีสายตาของการมนิท จับจ้องอยู่ที่สาวงามนางหนึ่งสาวงามผู้เป็นดาวเด่นบนเวทีกันเล่นคลีเธอดอดลูครีสีทองทั้งคู่ด้วยมือซ้ายขวาสลับขึ้นลงด้วยลีลาที่สวยงามและรวดเร็วจนดูราวกับเป็นสายทองทั้งลีลายืงย่างของนางนั้นก็ช่างอ่อนช้อยรับกับจังหวะและดูคล่องแคล่วชานาญยิ่งนะัก กระทั่งสาวน้อยผู้นั้นได้หันมาทางกามนิธและเมื่อได้เห็นใบหน้าของสาวน้อยผู้นั้นโอ้นางคือใครกันนี่ช่างสวยงามเกินใครที่ข้าได้เคยพบเห็นมาหัวใจของข้าแทบจะหยุดเต้นเสียให้ได้นี่นางคงคือสตรทีที่หัวใจของข้ากามนิตตามหาเป็นแน่แท้โอ้แม่นางของข้า สายตาของสาวงามผู้ดอกคลีนางนั้นก็สบประสานกับสายตาของกาบมณิทที่จับจ้องอยู่นี่เกิดสิ่งใดขึ้นกับใจเราด้วยนี่เพียงแค่สบตากับชายหน่มันหัวใจของเราก็แทบจะอยู่เตนเนีได้ทันที่สายตาของทั้งสองได้สบประสานกันอนุภาพของความรักก็ได้ก่อตัวขึ้นทันที โดยที่ทั้งสองไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งกามนิธวาสิทธีต่างตกอยู่ในภวาหวังรักทันใดนั้นลูกคลีลูกหนึ่งก็มีอันพลัดหล่นจากมือของวาสิทธิและกระดอนออกมานอกเวที ชายหนุ่มหลายคนต่างรูกันเข้าแย่งลูกครีกามนิตปราดเข้าไปในเวลาเดียวกันกับบุรุษผู้สง่าด้วยอาภรณ์คนหนึ่งใช้หนุ่มทั้งสองประท่ากันและแย่งกันก็าหาลูกคลีทองอึ๊บอ่ะไปทางนี้ได้แน่อึ๊บเฮยย่าเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันบางอาจมาเบียดขวางหน้าข้าได้ข้าม่วันยอมให้เจ้าซื้อราเฮ้ยมานี่ การมนิด์อาศัยทักษะมวยปล้ำที่เหนือกว่าจึงขึ้นหน้าไปได้ชายหนุ่มผู้นั้นจะรั้งขอกรรมนิดไว้แต่ก็พลาดคว้าได้เพียงสร้อยแก้วตาเสือซึ่งเป็นเครื่องรางประจำตัวของกรรมนิด์ขาติดมือไปและทำให้ตัวเองต้องเสียหลักล้มลงเฮ้ยเจ้าจะไปไหนเอ้แยันล้งฮึดฮ่าฮ่าได้แล้ว ชายหนุ่มผู้แย่งลูกคลีกับกรมนิตลุกขึ้นด้วยความอายและโกรธกว้างสร้อยแก้วตาเสือกลับมาให้กรรมานิตก่อนจะพาออกไปอย่างเคียดแค้นจะม อ, อไว้นะเจ้าไปพวกเราครับดีทางดีทางกรมนิตไม่ได้ใส่ใจกับท่าทางที่แสดงออกของชายผู้นั้นเขาสนใจเพียงสาวงามที่เขาหมายปองบนเวทีเท่านั้น เมื่อเห็นเธอมองมาด้วยสายตาที่ชื่นชมกาแมนิ์ก็บันจงโยนลูกคลีทองให้กระดอนพื้นเวทีกลับไปเข้ามือของสาวน้อยซึ่งนางก็รับไว้ได้พอดีและเล่นลูกคลีต่อได้อย่างสวยงามทากลางเสียงชื่นชมจากคนดูสาวน้อยวาสตีหันมายิ้มตอบเป็นไมตรีให้แก่กาแมนบัตร ด, ดีดอกไม้แห่งความรัก พลิบดอก บ, บานเต็มหัวใจของกัมมินต์หนุ่มเสียแล้วกัมมินต์กัมมินต์อ้าวสมมทัศนี่ท่านไปอยู่ที่ไหนมาตามท่านมาตลอดนั่นแหละแต่ใครจะคล่องแคล่วรวดเร็วเทียมท่านได้แม้แต่สาตะเคียนซึ่งล่ำลือกันว่าเป็นเลิศในกรุงโกรสัมพีแล้วยังสู้ท่านไม่ได้ใครหรือคือสาตะเคียนออกไปจากตรงนี้ก่อนเถิดถูกคนเบียดเสียดกันแน่น เดี๋ยวการเล่นครีก็จะจบลงแล้วผู้คนเหยียบเราทั้งสองคนตายสัก่อนการมิทธิมิอาจขัดใจสหายใหม่ได้โดยก่อนออกมาก็มองจดจําใบหน้าของสาวน้อยผู้นั้นไว้อีกครั้งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่การเล่นครีได้จบลงสาวน้อยวาจิตทีหันมามองการมิทธิเพียงครู่ก่อนที่จะเดินลงเวทีไปด้านล่างพร้อมกับสาวนางคนหน่ม กมมนตจจึงจำต้องเดินจากออกมาพร้อมกับโสมทัตดีนะกรรมมนต์ิจสหายข้าที่ท่านเป็นพ่อค้าวานิสมีได้คิดเอาดีทางรับราชการที่เมืองนี้ท่านจะบอกอะไรข้าหรือสมทั์ก็ชายผู้ได้แย่งลูกคลีกับท่านนั้นเขาคือสาตาเคียนบุตรของประธานมนตรีผู้ทรงอานาจในประเทศนี้และข้า และเห็นว่าสาตะเคียนนั้นดูมีท่าทีอาฆาตแค้นต่อท่านเป็นอันมากข้าเองไม่ได้คิดรู้ตัวอันใดเลยคิดเพียงว่าเป็นการประลองไหวพริบกันของลูกผู้ชายก็เท่านั้นอาจารย์ของข้าทุกๆ ท, ท่านที่สอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวให้กับข้าพร่มสอนอยู่เสมอว่าลูกผู้ชายเมื่อต่อสู้ประลองฝีมือกันแพ้หรือชนะเป็นเรื่องธรรมดาให้อภัยต่อกันมิให้มีจิตใจอาฆาตกันแต่ดูเหมือนว่า สาตะเคียนจะไม่ได้ถูกสอนมาแบบเจ้านะ่ะสิกรรมนิษย์อย่างไรเสียหากต้องปรักหน้ากันอีกหลีกได้ก็จงหลีกเถิดสหายข้าคนเช่นสาตะเคียนนี้ไม่พบเจออีกได้แล้วก็เป็นดีขอบใจท่านมากสมทัศน์สหายข้าข้าจะจำในคำเตือนของท่านไว้ตั้งแต่วันที่พบเห็นนางผู้เลยโฉม กามเนตก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ได้บอกสมทั์ผู้สหายเขาเฝ้าทวินหาแต่สาวน้อยผู้ดอกคลีทั้งแวะเวียนไปลาดเลาที่อุทยานและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งแต่ก็ต้องผิดหวังไม่ได้พบเห็นนางอีกเลยกาเมณิตมันนั่งอยู่ที่นี่เองไป ไปเที่ยวเล่นชมบอนกรุงโกสัมพีกันมีทั้งสกาตีนกโอ้ยสารพัดให้เลือกเล่นในตามที่ท่านถนัดเลยละ่ะไม่ละสมมทัศข้านั้นไม่ถนัดในการเล่นต่างๆดังกล่าวเลยเชิญท่านตามสบายเถอดนี่ท่านไม่ชอบการพนันหรอกหรือกมัมมันต์บอกกับท่านตามตรงวนะ่าสมทัศน์สหายข้าข้านั้นไม่ค่อยจะนิยมชม ช, มชอบการพนันนักด้วยพอเห็นบรนปลายของผู้ที่เล่นการพนันมานักต่อ น, นักหัวล้วนมีชีวิตที่น่าเศร้าใจมาก ่ข้าก็ไม่ได้คิดขัดขวางห้าปรามท่านหรอกนะเชิญท่านตามสบายเถอะข้าข้าก็แค่เล่นสนุกพอพเพลิดเพลินใจเท่านั้นเองอย่างนั้นเราไปเที่ยวเดินเล่นชมตลาดชมสาวสาวกันก็ได้กามนิษฐ์อย่าห่วงเถอเลยสมทัศตวันนี้ข้าไม่ใครอยากออกไปที่ไหนหรอกเชิญสหายของข้าดําเดินไปตามที่ท่านตั้งใจไว้เถินท่านพูดแล้วกับรู้จิตใจข้าจริงๆอย่างนั้นข้าก็ไม่ฝืนใจท่านแล้วนะ ข้าขอไปเล่นสกาหาเงินไว้ใช้เที่ยวเล่นสักนิดหน่อยก่อนแล้วจะรีบกลับมารับท่านออกไปเที่ยวด้วยกันอืขับไปก่อนแล้วนะเกะมะนิตเมื่ออยู่แต่ผู้เดียวใจก็หมกมุ่นอยู่แต่สาวงามคนนั้นทุกอิริยาบถของนางยังคงติดตรึงอยู่ในความนึกคิดทุกโมงยามโอแม่นางผู้เป็นที่รักของข้าเจ้าจะรู้หรือไม่หนอน ว่าเจ้านั้นได้กรรมเอาหัวใจของข้าไปด้วยแล้วสาวงามมากมายที่ข้าได้เคยพบเห็นไม่เคยมีผู้ใดที่จะสะกดหัวใจของข้าได้ข้าเคยเฝ้าํามใจของข้าเสมอมาว่านางใดจะคือคู่ครองของข้านางใดที่คือเนื้อคู่เนื้อแท้ของข้าบัดนี้ข้ารู้แล้ว ปัตมนี้ข้ารู้ชัดเกี่หัวใจของข้าแล้วหัวใจของกรรมนิดหนุ่มรุ่มร้อนเป็นยิ่งนะักเฉดเช่นเดียวกับหัวใจของสาวน้อยผู้ดอกครีผู้นั้นชายผู้เก่งกล้าของข้าท่านเป็นใครกันนะท่านเข้ามาให้ข้าได้พบ ได้เห็นท่านแล้วท่านก็จากข้าไปพร้อมกับนำเอาหัวใจของข้าไปด้วยแล้วตอนนี้ท่านอยู่หน้าที่ใดกันท่านจะมีความรู้สึกเหมือนข้าที่มีต่อท่านตอนนี้หรือเปล่านออ๋อสวรร์ได้โปรดเมตตาต่อข้าให้เขาได้มีโอกาสรับรู้ ถึงความรู้สึกของข้าที่มีต่อเขาด้วยเถิดนางผู้เป็นที่รักของข้าข้าจะขอมอบหัวใจของข้าผ่านสายพินทั้งเจ็ดสายนี้ส่งไปให้เจ้าหากเจ้าได้ยินจงรับรู้ให้เถิดว่านี่คือเสียงร่ำร้องจากหัวใจของข้าว่ารักเจ้าเหลือเกิน กมรมนต์ยังไม่อาจคลายความร้อนรุ่มฝีกคิดถึงสาวน้อยที่ตนหลงรักลงไปได้ยิ่งคิดถึงก็ยิ่งกระสับกระสายว้าวุ่นหัวใจสุดท้ายจึงหยิบผู้กันและสีหมาบรรจงวาดรูปของนางผู้เป็นที่รักไว้เฉยชมเพื่อให้คลายความคิดถึงค้าสามารถจดจำชดได้อย่างติดตาจรึงใจ ไม่ว่าจะเป็นวงหน้าที่สวยของเจ้าปากที่เรียวสวยยามแย้มยิ้มให้กับข้าจมูกและแก้มที่แดงเรื่อคิ้วที่คมเข้มและในตาอันหวานซึ้งของเจ้ายามที่มีงมองมาอย่างข้าโอแม่นางของข้าข้าปรารถนาจะพบเจ้าเหลือเกินโอโอโอทันกามาเทพเบื้องบนท่านได้แผลงสอนรัก ปักลงกลางใจของกรรมนิษฐ์สหายข้าแล้วหรือนี่อ้าวสมทัตทําไมท่านกลับมาเร็วนะักไม่เร็วไปกว่าท่านวาดรูปสาวงามผู้เลอโฉมหรอกแหมขืนขัดกลับมาช้ากว่านี้สักนิดนะข้าก็คงไม่มีโอกาสได้รู้ว่ากรรมนิษฐ์สหายข้านั้นกนําลังตกหลุมรักสาวน้อยผู้ดอกครีในพิธีบูชาพระลักษมีเทวีมิน่าเราหลังจากวันนั้นแล้ว การมนิษฐ์หนุ่มแห่งกรุงอุชเชนีก็ไม่เป็นอันกินอันนอนโดยเพราะว่าทำหัวใจหล่นหายอยู่ที่กรุงโกสัมพีนี่เอง <laughs> ท่านจะล้อค่ายังไงก็เชิญตามสบายเถิดข้ายอมสิน้นขอเพียงท่านช่วยข้าติดตามหานางจะได้ไหมสมทัตท่านเป็นสหายข้านะการมนิษ์ข้ายอมช่วยท่านในทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ข้านี่น้อยใจในตัวท่านนักมีทุกใดในใจ ยท่านไม่ยอมแบ่งปันนี่ข้าได้รับรู้แต่เอาเถิดอย่างไรเสียเพื่อเห็นกับฝีมือการวาดรูปของท่านข้าต้องขอชมเชยฝีมือของท่านจริงๆเอ๋แม่ท่านเชงนวาดได้เหมือนมากเหมือนเรากับวาสิทธิตัวจริงมายืนย้มยิ้มอยู่นะตรงนี้เมื่อครู่ท่านพูดว่านางคือวาสิทธิหรือสมถะท่านโอ นี่หมายความว่าท่านรู้จักนางใช่ไหมสมทักน์บอกข้ามาเดี๋ยวนีใน้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสหายข้าใจเย็นเย็นปล่อยค้าก่อนก็ได้ถูกแล้วละ่ะสาวน้อยบุตรเอกรีในวันนั้นเธอคือวาสิทธีเป็นธิดาของนายช่างทองผู้มีชื่อเสียงแห่งกุงโกสัมพีนี้โอวาสิทธี วสิทธิผู้เป็นที่รักของข้าสมทัศน์สายรักแล้วนี้ข้าจะหาทางพบนางได้อย่างไรท่านโปรดช่วยข้ามีโอกาสได้พบนางด้วยเถิดนับว่าเป็นเรื่องยากอยู่นะเพราะว่านางอ่ะอาศัยอยู่ที่ปราสาทบนยอดเขาหากไม่มีงานพิธีสำคัญใดๆนางก็ไม่ลงมาให้ชายใดได้พบเห็นง่ายๆหรอกนางคือสตรีสูงศักดิ์คนหนึ่ง ของกุงโกสัมพีเหล่านี้แล้วนี่จะมีงานพิธีใดอีกบ้างไม่สมทัตอีกนานหลายเดือนทีเดียวสายข้าแต่ <c oughs> อย่าพึ่งเศร้าใจไปสีกมณิตข้าสามารถช่วยสายรักของข้าได้จริงจริงหรือสมทัตท่านช่วยข้าได้จริงๆหรือโอ้แล้วนี่ข้าต้องทำอย่างไรบ้างท่านไม่ต้องทำอะไรแล้วกรมณิตนอนคอยฟังข่าวจากข้าอยู่ที่นี่แหละ ท่านจะไปพบวาสิทธิอย่างนั้นหรือข้าไม่สามารถทําเช่นนั้นได้หรอกแต่วาสิทธินั้นเธอมีลูกพี่เรียงน้องที่สนิทชิดใกล้กันชื่อว่าเมธินีซึ่งใน ง, งานพิธีเล่นครีวันนั้นเมธินีก็ไปร่วมเล่นครีด้วยกันกับวาสิทธิและเมธินีนั้นเธอก็คือคนรักของข้าเองโธ่เป็นชช่นนี้นี่เอง ท่านช่างแกล้งปิดข้าไว้ตั้งเป็นนานนะสมนะท่ก็ท่านยังปิดข้าเรื่องหลงรักวสติถีได้นี่นะรู้เช่นนี้ข้าปล่อยให้ท่านนั่งเพลอนอนเพลอเฝ้าลำพันธ์กอดรูปวสติถีไปจนผอมตายก็ดีหรอกจะเย็นเย็นเถิดกรรมนิตเดี๋ยวข้าจะรีบไปหาเมทินีขอให้นางช่วยเป็นสื่อให้กับท่านเองถ้าเช่นนั้นข้าขอฝากรูปนี้ให้เมทินี ช่วยนำส่งให้กับวาสิทธีด้วยแต่สักเดียวนะข้าขอเขียนบทกวีใส่ลงไปก่อนอันข้านี้มีนามกามนิศผู้เฝ้าคิดครวนคร่ำร่ำร้องหาเพียงแต่เจ้าวาสิทธียอดชีวาแค่พบหน้า แรกเห็นเป็นต้องมนพรมลิขิตให้เจ้าอยู่เป็นคู่ข้าหรือเพียงมายวนตาพาฉงนโปรดเถิดว่าสิถีเผยกระมนให้ข้ายน์ใจนามเป็นอย่างไร สารรักของท่านไปส่งท่านอย่าพิ่งด่วนคลั่งรักจนเป็นบ้าไปเสียก่อนละ่ะสหายข้าอ๋อแล้วระหว่างที่รอฟังข่าวจากข้าเนี้ขอได้โปรดพ่อนักรักรับประทานอาหารและนอนพักผ่อนสับ้างนะสภาพของท่านนั้นและดูโทมเต็มทีขืนปล่อยตัวเช่นนี้วาสิดีคงรับรักของท่านไม่ลงแน่แน่ขัไปละ การมนิ์สุดแสนตื่นเต้นและดีใจที่มีสื่อรักช่วยเหลือเขาหวังใจยิ่งนักว่าจะได้พบวาสิธีในไม่ชานี้เมื่ออารมณ์ของชายหนุ่มกลับมาสดชื่นเบิกบานเขาก็รับประทานอาหารได้อย่างอริดอร่อยอีกครั้งและนอนเล่นหลอฟังข่าวด้วยหัวใจที่จดจอ่อแต่เบิกบานใจยิง่งกระทั่งสมทั์กลับเข้ามา เป็นเช่นไรสมทัศน์ว่าสิทธิของข้าตอบมาเช่นไรนางสุขสบายดีหรือไม่โสมทัศน์ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวาสิทธิมีสุขสบายดีนักหรอกโอวาสิทธิของข้าป่วยเป็นอะไรหรือนี่ข้าและเมธีมีความเห็นต้องกันว่าวาสิทธินั้นก็ป่วยเป็นไข้ใจเช่นท่านนี่แหละกามมานิตฐ <laughs> แต่ไม่ต้องตกใจเมธินีบอกข้าว่าทันทีที่ได้เห็นรูปวาดละสารลักจากท่านนางก็สดชื่นแจ่มใสาหายป่วยสิน้นเหมือนเช่นท่านตอนนี้แหละเอา้านี่บทกวีของวาสิถีที่มีความในใจตอบท่านอ่านดูเสียให้ชื่นตาชื่นใจนางเขียนบทกวีได้ด้วยหรือนี่โอ้สวรรค์ ท่านยังส่งนางที่งามพร้อมสมเป็นเนื้อคู่มาให้ข้าแท้ๆไหนๆนางตอบข้าว่าชช่นไรโอ้บุรุษอันมีนามกามมณิทใจเจ้าคิดแน่แท้แล้วละหรือหญิงงามพร้อมรูปประพันอันเลื่องลือยังมีชื่อร้อยพัน สุดพันลนาอันว่าเจ้าต้องมนข่าจนจิตใจข่าคิดอย่างไรใครค้นหาไมตรีจิตข่าทราบซึ้งตรึงอุราแต่พรห ม, มาที่รู้ว่าคู่คือใคร โ่อ oh, วัสสิธียายเจ้าไม่บอกความในใจใดๆให้ข้าได้รู้บ้างเลยอ้าวนี่วาสสิถีตอบเจ้ามาเช่นนี้หรอกหรือแต่เจ้าอย่าเพิ่งเศร้าใจไปเลยกรรมนิทวาสสิฐีได้ตอบฝากเมทินีฝากให้ข้านำมาบอกเจ้าอีกทีหนึ่งว่าจ <c oughs> งฟังให้ดีนะกรรมนิทวาสสิฐี ได้ฝากวาจานัดท่านให้ไปพบที่ลานนอกประสาทในคืนวันรุ่งนี้โอ้ฮ่าฮโอ้สวรรโปรดข้าแล้วโอ้โอ้ความรักของข้าสงวงแล้วสงมทัศน์าฮ่าท่านคือสหายรักของข้าฮ่าฮ่ายินดีด้วยกัมมณิษสายข้ายินดีด้วยฮ เพื่อนทั้งสองต่างหัวเราะยินดีด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วทันใดนั้นเองเอ่อขอประทานโทษด้วยเถิดนายของข้าด้วยว่ามีคนของท่านราชทูตแห่งกรุงอุเชนีมาขอพบท่านกามนิทขณะนี้บ่าวให้เขานั่งรออยู่ที่ห้องโถง ตายแล้วสิสมทัศตเห็นที่จะเป็นการแจ้งข่าวการเดินทางกลับของอุดเชนีของท่านราชทูตซะแล้วข้าขอตัวท่านออกไปพบท่านราชทูตก่อนนะกามณิชหายออกไปครู่ใหญ่ก็กลับเข้ามาในห้องอีกครั้งด้วยสีหน้าที่มีกังวลยิ่งเรื่องเป็นชไลบ้างกามนิชท่านราชทูตให้คนมาแจ้งให้ข้าว่าเรื่องราชการของท่านเสร็จสิ้นแล้ว และให้ข้าเตรียมตัวออกเดินทางกลับกรงอุดเช น, นีในเช้าตรู่วันรุ่งนี้แล้วตายละก็วัสถีนัดท่านไปพบในตอนค่ําของวันรุ่งนี้นะแล้วนี่จะทํำยังไงกันดีเล่า้วยเหตุนี้แหละข้าจะต้องออกไปพบท่านราชทูตถึงที่บ้านรับรองและจําต้องเรียนความทิศแก่ท่านไปว่าข้ายังไม่เสร็จสิ้นเรื่องทางการค้าข้าอ่อนวอนขอร้องท่านราชทูตให้เลื่อนกําหนดการเดินทางออกไปอีก ่านวท่าจะท UTH ยินยอมไม่ท่านหรือเปล่ากามนิ์ท่านก็ยอมเลื่อนกำหนดการเดินทางให้ข้าอย่างไม่ใคร่พอใจนะและยอมเลื่อนการเดินทางออกไปอีกเพียงวันเดียวเท่านั้นเพราะท่านคงพอรู้อยู่ว่าข้านั้นซื้อขายสินค้าเสร็จสิ้นมาหลายวันแล้วฮ่าลงใจไปทีอย่างน้อยท่านก็จะได้อยู่พบกับวาเสิษฐีในค่ําวันรุ่งนี้ใช่อย่างน้อยข้าก็จะได้พบวาสิทธิผู้เป็นที่รักของข้า ถึงยามข้าวันต่อมากามมนิตและสมัทน์แต่งกายชุดสีดำพกดาบเป็นอาวุธเดินทางไปยังสถานที่นัดพบคือลานด้านตะวันตกของปราศาสซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาที่ตรงนั้นเป็นผาสูงชันชายหนุ่มทั้งสองต้องปีนขึ้นไปท่ามกลางความมืดเมื่อถึงข้างบนแล้วต้องปีนกำแพงอีกต่อหนึ่ง จึงมาถึงลานกว้างอันมีต้นอโศกและดอกไม้นานาพันธุ์โปรประดับไว้อย่างงดงามนั่นอย่างไรเมธินีและวาสิทธินั่งรออยู่ที่ม้านั่งนั่นข้าจะไปหาเมธินีคนรักของข้าละ่ะขอให้ท่านสมหวังในความรักนะกรมมณิตเจ้าเจ้าคือวาสิทธิหรือใช่ ใช่แล้วข้าคือวาสิทธิเช่นนั้นท่านท่านก็คือกาม น, นิสินะวาสิทธิเจ้ารู้หรือไม่ว่าภาพของเจ้าติดตาตรึงใจข้ามาโดยตลอดนับแต่วันที่ได้พบเจ้าในงานวันบูชาพระลักษมีเทวีข้าเฝ้าแต่หวังที่จะได้พบเจ้าอีกจนไม่เป็นอันกินอันนอนบัดนี้ ข้าได้พบเจ้าแล้ววาสตีข้าไม่ต้องการสิ่งใดๆในโลกนี้อีกแล้วขอเพียงแต่ให้ข้าได้มีโอกาสเคียงคู่อยู่กับเจ้าตลอดไปข้าก็พอใจยิ่งแล้วกามนิกท่านคิดฉชนนั้นจริงหรือวาสตีข้าพบหญิงงามมาก็มากมายนักแต่ก็ไม่เคยมีนางใดเลยที่สามารถจะสะกดหัวใจของข้าได้ดังเจ้าเช่นนี้แล้ว ข้าึงคิดว่าสวรรค์ได้ส่งเจ้าให้มาเป็นคู่ของข้าวาสิทธิเจ้าไม่ได้รู้สึกต่อข้าดังที่ข้ารู้สึกต่อเจ้าอย่างนั้นหรือกามนิศข้าข้าก็รู้สึกเช่นเดียวกับที่ท่านรู้สึกต่อข้าโอวาสิทธิยอดรักกามนิศที่รักของข้ากามนิศและวาสิทธิต่างโผลเข้าสวมกอดกันและกัน ราวกับคู่รักที่จากกันมานานแสนนานกามนิตและวาสิทธีต่างยืนสวมกอดกันแนบนิ่งโดยไม่มีคำพูดจใดๆออกมาราวกับว่า ทั้งสองได้ส่งความรู้สึกที่มีต่อกันผ่านการสัมผัสอันแสนอบอุ่นเติมเต็มหัวใจให้แก่กันและกันทั้งสองยืนสวมกอดกันเนิ่นนานพอที่จะทำให้สมทั์และเมธินีสังเกตเห็นได้ถึงความเงียบนี้สมทั์และเมธินีเฝ้ามองดูคู่รักทั้งสอง ด้วยความชื่นชมและเข้าใจจึงพากันเดินเลี่ยงออกไปจากบริเวณนั้นซึ่งการเคลื่อนไหวของสมรรถทัตและเมธินีนั้นเองทําให้วาสิทธิมีสติขึ้นและรู้สึกเขินอายจึงผลักออกมาจากกรรมนิตและถอยมานั่งลงที่ม้านั่งข่าเนี่ยช่างคําเรื่องที่น่าอายยิ่งนักกรรมานิท ตามเข้าไปนั่งเคียงข้างวาสิถีและกุมมือของวาสิถีไว้แนบปกของตนหากเธอคิดว่าความรักของเราที่มีต่อกันเป็นเรื่องที่น่าอับอายผู้คนทั้งหลายและสัตว์ทั้งโลกนี้ก็คงพากันอายสิน้นจนไม่มีเผ่าพันธุ์ใดเหลืออยู่อีกแล้ววาสิถีข้าหมายถึงการที่ข้าสวมกอดกับท่านทั้งทั้งที่เราเพิ่งได้ใกล้ชิด และพูดจาต่อการเป็นครั้งแรกเจ้าคิดว่าเป็นครั้งแรกแต่ข้ากลับคิดว่าเรานั้นต่างที่เคยพบเจอและอยู่ร่วมกันมาทุกชาติพบและในชาตินี้ข้าก็ได้ตามหาเจ้าจนพบแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดเลยวาสิทีที่เราจะพึงรู้สึกนึกรักกันในทันทีที่แรกเห็นนี่ท่านทึกทักเอาเองเลยหรือนี่ว่าเรานั้นได้พบกันมาทุกชาติพบ เจ้าไม่รู้สึกเช่นนั้นหรอกหรือวาสิทธิทันทีที่ข้าได้พบเจ้าข้านั้นเหมือนกับได้พบวิ ญ, ญญาณของข้าที่ขาดหายไปสวรรค์ได้นำพาให้ข้าได้มาพบกับคู่ของข้าแล้วสายตาของวาสิทธิจับจ้องอยู่ที่ดวงตาของกามมณิตเรากับจะค้นหาคําตอบจากภายในดวงตาคู่นั้นยิ่งจ้องมอง เธอก็ยิ่งตื่นเต้นระคนเขินอายจนต้องหันหน้าหลบไปอีกทางหนึ่งที่ข้าเชิญท่านมาพบในวันนี้ก็เพื่อจะกล่าวขอบคุณท่านที่ช่วยโยนลูกครีกลับมาให้ข้าในงานพิธีวันนั้นซึ่งหากท่านไม่โยนลูกครีกลับมาให้ข้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วการเล่นครีถวายพระลักษมีเทวีของข้า ก็คงต้องมีอันหยุดลงกลางครันซึ่งทั้งจะไม่ได้บุญกุศลแล้วยังอาจจะถูกพระลักษมีเทวีทรงพิโรธสาบให้ข้าหาความสุขไม่ได้อีกเลยในชีวิตนี้ก็เป็นได้ข้าไม่ได้ช่วยเจ้าหรอกวาสถีข้าเพียงใช้โทษของข้าที่มีต่อเจ้าต่งางหากกามนิทท่านได้ทำผิดต่อข้าแต่เมื่อใดกันก็ผิดที่ข้านั้น ได้ไปศบสายตาต่อเจ้าจนทําให้เจ้านั้นเดาะลูกคลีผิดพลาดจนลูกครีหล่นลงมาอย่างไรเล่าวาสิทธีหากไม่มีค้ามายืนมองเจ้าฉนไนเลยผู้ที่เล่นคลีได้อย่างชำนาญเช่นเจ้าจะผิดพลาดได้ง่ายๆขะเองที่ทําผิดต่อเจ้าวาสิทธีมีสีหน้าแดงเขินอายจนทําท่าจะลุกขึ้นหนีแต่กามนิษได้รั้งมือของวาสิถีไว โดยที่วาสิถีก็มิได้กัดเคิลแต่ยังคงหันหน้าหลบอยู่ด้วยความเขินอายวาสิถีข้านั้นพบเห็นสาวงามมาก็มากนักแต่ข้าไม่เคยรู้สึกใดๆเลยจนเมื่อข้ามาพบเจ้าข้าก็หลงรักเจ้าในทันทีวาสิถีความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้านั้นยากยิ่งจะกล่าวนักวาสิถี ยามข้านึกถึงใบหน้าและรอยยิ้มของเจ้าใจข้านี้ก็ให้เป็นสุขยิ่งนักสุขแบบที่ไม่เคยได้พานพบแต่ครั้นพอข้าคิดถึงเจ้ามากยิ่งขึ้นใจของข้าก็กลับเป็นทุกข์มันทุกข์ทรมานแสนสาหัสนักว่าสิทีชีวิตของข้านี้ไม่ขอหวังในสิ่งใดอีกแล้วขอเพียงได้รักเจ้าก็พอ ขอให้ข้าได้รักเจ้าเถิดวาสิธีกามนิศข้าข้าก็รักท่านข้าก็หลงรักท่านตั้งแต่วันนั้นเช่นกันวาสิธีโอวาสิธีของข้าวาสิธีสะอื้นให้ด้วยความปลื้มปีติและซาบซึ้งเป็นยิ่งนะักโผเข้าซบแนบกับอกของกา ม, มนิศทั้งสอง กอดกันอย่างแนบแน่นและเนิ่นนานบัดนี้ไม่มีความรู้สึกใดๆมาปิดกั้นหัวใจที่ทั้งสองมีให้แก่กันและกันต่อไปอีกแล้วกระทั่งกามนิตรระลึก ข, ขึ้นมาได้ถึงความจริงที่จะต้องจากกรุงโกสัมพีและจากวาสิถีไปในเช้าวันรุ่งนี้ เมื่อนึกขึ้นมาได้ก็ให้ถอดถอนใจด้วยความกังวลทุกข์โอตายละมีเรื่องอะไรหรือกามนิตใหญ่ท่านก็กล่าวคําเช่นนี้รุ่งเช้านี้แล้ววาสิทธิรุ่งเช้านี้ข้าจะต้องกลับกรุงอุจเนีพร้อมกับคณะของท่านราชทูตแล้วนะสิโอกามนิตทํำไมจึงเป็นเช่นนี้ท่านมาทําให้ข้าสมหวังในความรัก แล้วใหญ่ท่านจะต้องดวนจากข้าไปรวดเร็วเช่นนี้ใจของข้าจะทานทนได้อย่างไรกันกามณิศว่าสิทธิไม่อาจปรับใจยอมรับได้ด้วยเพิ่งจะสุขใจในความรักไดเพียงครู่ก็จะต้องพบกับการจากเสียแล้วจึงร่ำไห้ด้วยความเศร้าเสียใจ จนแทบเป็นล้มสิ้นสติไปวาสิถีเจ้าฟังข้าก่อนข้านี้ไม่ได้อยากจะห่างจากเจ้าเลยสักนาทีเดียวแต่เมื่อหลังจากที่ข้าได้รับวาจานัดจากเจ้าแล้วท่านราชทูตก็ได้ส่งคนมาบอกแก่ข้าว่าให้ข้านั้นเตรียมตัวออกเดินทางกลับในเช้าวันรุ่งที่ผ่านมานี้แต่ด้วยความรักที่ข้ามีต่อเจ้าข้าก็ได้ไปพบท่านราชทูต และขอร้องต่อท่านให้เลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปอีกซึ่งท่านก็ยินยอมไม่ค่ายอย่างเสียไม่ได้โดยยอมเลื่อนการเดินทางให้อีกเพียงวันเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือเช้าวันรุ่งนี้แล้วกามนิธทำไมจึงต้องเป็นข้าที่ผิดหวังละกามนิธทำไมข้าต้องพบกับความผิดหวังด้วยล่ะกามนิธวาสิทธิความรักของเราจะต้องสมหวังข้าขอให้สัญญากก่เจ้า ทันทีที่ขึ้นสุดฤดูฝนข้าจะรีบกลับมากรุงโกสัมพีกลับมาหาเจ้าและจะอยู่กับเจ้าตลอดไปวาสิบทีแล้วทาไมท่านต้องรีบจากข้าไปเช่นนี้ด้วยเล่ากาบานิธที่ท่านมิได้รักข้าเหมือนดังที่ข้ารักท่านหรอกหรือที่รักของข้าความรักของข้าที่มีต่อเจ้านั้นไม่น้อยไปกว่าที่เจ้ามีต่อข้าหรือน้อยไปกว่าใครในโลกนี้อีกแล้วว่าสิบทีหากเป็นเช่นนั้น ท่านก็อย่าเพิ่งกลับไปเลยนะกามนิทท่านจงอยู่เพื่อคนที่ท่านรักและอยู่เพื่อคนที่รักท่านก่อนเถิดนะกามนิทกามนิทมิอาจฝืนจิตใจตนอันทำให้คนรักต้องเศร้าเสียใจได้อีกต่อไปเขาคุกข่าวลงที่พื้นเบื้องหน้าของวาสิธีและกอดนางไว้โอวาสถิถีข้ามิกลับไปแล้ว ข้จะไม่จากเจ้าไปไหนแล้วโอ้กามนิธิท่านพูดจริงๆหรือกามนิตท่านสัญญากับข้านะโอ้ข้าดีใจเหลือเกินแล้วที่รักของข้าวาสิทธิยินดีเป็นที่สุดนางก้มลงโอบกอดและจุมพิษกามนิต ด, ด้วยความรักและความดีใจทั้งสองหัวเราะต่อกันอย่างมีความสุขที่ลานอโศกในค่ําคืนนั้น กาแมนิทและวาสิถีต่างพร่ำวาจารักอันแสนหวานต่อกันอย่างมิรู้หน่ายจนเวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วนี่นะเมธินียอดรักของข้านี่ก็ได้เวลาที่เราจะต้องแยกจากกันแล้วแต่ว่าเพื่อเห็นแก่คนที่เพิ่งจะหัดรักกันสองคนนี้เมทินีจะจงไปเตรียมสเสบียงหาให้พวกเขาหน่อยเถิดส่วนข้า ก็จะไปเกณฑ์คนให้มาปลูกห้องหอให้ไว้ที่นี่ซสีเลยเพราะดูๆแล้วคนที่เพิ่งจะหัดรักกันทั้งสองนี้คงจะไม่ยอมแยกจากกันอีกนานนับเดือนเชละสมธาตเนี่ยท่านช่างมีอารมณ์ล้อผุกคนเขาได้ทุกเมื่อเชียวนะวาสิทธีนี่ดึกมากแล้วล่ะเลยเวลาที่เราต้องกลับเข้าบ้านมานานแล้วจริงด้วยสิกามนิศคืนนี้เราคงต้องจากกันแล้ว เดี๋ยวท่านกับสมมาธาต้องเดินทางลงเขากันไปอีกไกลหากช้าไปกว่านี้ก็จะสว่างเสียก่อนที่ท่านทั้งสองจะไปถึงบ้านคืนวันรุ่งนี้และทุกๆคืนข้าจะรีบมาพบเจ้าที่นี่ให้เร็วกว่านี้เพื่อที่จะมีเวลาอยู่กับเจ้าได้นานๆกว่านี้รีบไปกันเถิดพนักรักแรกหัดก่อนที่จะสว่างหากมีผู้คนมารู้เข้าแล้วก็ เดี๋ยวจะผ่านไม่ได้มากันสักคืนไปก่อนแล้วนะเมทินียอดรักไปก่อนแล้วนะวาสิทธิกรมนิธและโสมทัศน์เมื่อกลับมาถึงบ้านในตอนใกล้สว่างก็เห็นข้าวของและกองเกวียนจัดเตรียมอยู่เต็มลานหน้าบ้านกรมนิตจึงรีบเรียกบ่าวผู้เป็นหัวหน้าคุมกองเกวียนออกมาสั่งความนี่เจ้าเดี๋ยวพอฟ้าเริ่มสว่างแล้ว ให้เจ้ารีบไปพบท่านราชทูตโดยเร็วและแจ้งต่อท่านว่าข้ากามนิทมีความเสียใจที่ม่อาจเดินทางกลับกรุงอุเชนีไปพร้อมกับคณะของท่านได้ด้วยเพราะว่าข้านั้นยังทํากิจธุระไม่เสร็จสิ้นจําเป็นที่จะต้องอยู่กรุงโกสัมพีต่อไปอีกและฝากกราบเรียนท่านด้วยว่าขอท่านได้ช่วยส่งข่าวแจ้งแก่บิดาบารดาของข้าว่าข้านั้นรักโครพท่านเสมอและจะรีบเดินทางกลับไปโดยเร็ว ขอให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเขารับท่านกามนิดกามณิษเมื่อได้สั่งความแก่บ่าวแล้วก็เข้าไปนอนพักผ่อนด้วยความอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแต่เมื่อเขานอนหลับไปได้เพียงครู่ก็ต้องตกใจตื่นขึ้นด้วยบ่าวคนเดิมมาปลุกรายงานแก่เขาว่าบัดนี้ท่านราชทูตได้มารอพบเขาอยู่ที่ลานหน้าบ้านนี้แล้วกามณิษ์จึงรีบลนลานออกไปต้อนรับ ท่านราชทูตขอรับข้าข้าเสียใจที่ไม่อาจกลับไปพร้อมท่านได้ในวันนี้ข้าข้ายังไม่เสร็จสิ้นกิจธุระกิจจริงขอรับท่านเหลวไหลเจ้านี่เหลวไหลยู่นักอมมนิ์เลิกกล่าวเท็ศต่อข้าเสียทีแล้วรีบตรียมตัวออกเดินทางไปพร้อมกับข้าเดี๋ยวนี้ข้าข้าเจ้าจะโกหกข้าจนไรอีก่หรือเจ้าเด็กดื้อของเป้นของเจ้าก็เตรียมพร้อมออกเดินทางอยู่แล้วนี่ และข้าก็รู้ดีว่าเจ้านั้นน่ะได้ค้าขายสินค้าเสร็จสิ้นไปนานหลายวันแล้วเจ้าจะยังมีอะไรโกหกข้าอีกข้าข้ายังมีสินค้าสำคัญที่จะต้องซื้อมาซื้อหามาให้ได้นะขอรับท่านราชทูตซึ่งหากสำเร็จจะทำให้ข้านั้นมีกำไรงามอย่างยิ่งและนี่เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตของข้าแล้วหรอยังจะมีสิ่งใดสาคัญไปกว่าชีวิตของเจ้าได้อีกเจ้าก็รู้ดีว่า บิดามารดาของเจ้านั้นได้ฝากฝังข้าให้คอยดูแลเจ้าเจ้าถึงได้มีโอกาสเดินทางมากับคณะของข้าแล้วนี่เจ้าคิดอาหางการที่จะเดินทางกลับกรุงอุเชนีไปกันเองโดยไม่มีข้าเจ้าคิดหรือว่าข้าและบิดามา n ด a ของเจ้าจะยินยอมให้เจ้าไปเสี่ยงชีวิตนะกามนิตไปเดี๋ยวนี้เตรียมออกเดินทางไปพร้อมกับข้าเร็วเขา้า ข้ายังกลับไปไม่ได้จริงๆขอรับท่านราชทูตเฮ้ยไอเด็กดืไม่มีหัวคิดเสียแรงที่ข้ารักและเป็นห่วงเจ้านักลำพังพวกเจ้ากันเองจะขุมกองเกวียนผ่านป่าผ่านฝูงโจรไปได้อย่างไรกันคิดบ้างหรือเปล่าข้าข้าต้องผ่านไปให้ได้เช่นนั้นก็ให้พวกโจนมันขอยตอบเจ้าเถอะเฮ้ย คณะของท่านราชทูตได้เดินทางออกจากกรุงโกสัมพีแล้วกามณิตให้รู้สึกผิดและนึกเสียใจในการกระทาของตนแต่ด้วยอารมณ์รักที่มีต่อวาสิทธีนั้นรุนแรงนะักเพียงครู่เดียวในใจของกามณิตนั้นก็มีเพียงเรื่องของวาสิทธิเท่านั้นกามณิตและโสมทัตได้ออกไปพบวาสิทธิและเมธินีทุกค่าคืน แต่ละคืนที่กามนณิตและวาสิถีได้พบกันก็ยิ่งเพิ่มพูนความรักของคนทั้งสองมากยิ่งขึ้นเป็นทวีทั้งสองได้มีความสุขด้วยกันที่ลานอาโศกแห่งนั้นลานอาโศกอันเป็นเสมือนลานรักของกามนิตและวาสิถีคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงงามกระจ่างตา ก็ยังไม่งามและเด่นสว่างเท่ากับเจ้าได้เลยนะวาสิทธิท่านยังทำให้ข้าหลงไหลในท่านไม่พออีกหรือกามนิศข้านั้นไม่ใช่แสงแห่งทางช่างผือกหรอกนะจริงสิกามนิศคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่นาท่านมากับข้าทางนี้แน่นั่นอย่างไรกามนิศแสงสีขาวสวยที่บนฟากฟ้านั่นไง คือแสงแห่งทางช้างเผือกและนั่นหลักแม่น้ําคงคาสวรรค์ที่ท่านอยากเห็นโอเชงดงามจับใจยิ่งนักว่าสิถีข้าเพิ่งได้ไประจักษ์แก่สายตาได้เห็นครบแม่น้ําทั้งสามสายกลายเป็นจุฬาตรีคูณในคืนนี้เองและที่สําคัญข้าได้เห็นจุฬาตรีคูตนตําบลอันศักดิ์สิทธิ์โดยที่มีคนรักของข้าอยู่เคียงข้างชิ้นนี้ ข้านี้มีความสุขยิ่งนักวาสิธีทั้งสองยืนกอดกันชมความงามของจุราตรีคุณอย่างมีความสุขท่านนั้นอาจจะเคยเกิดเป็นพระนน์แห่งครั้งมหาภารตะยุทธ์ก็เป็นได้นักกามนิธและข้าก็อาจเป็นนางธรมยันตีคนรักของพระนนวาสิธีเจ้าระลึกได้จริงๆริงลนี่ยังหรอกกามนิต ข่านั้นยังระลึกถึงอดีตชาติที่ล่วงมาแล้วไม่ได้หรอกข้าเพียงเชื่อว่าท่านและข้านั้นอาจจะคือพระนลและนางธอมยันตีนะ่ะซึ่งหากจะรู้ได้จริงๆแล้วเราจะต้องได้สูตรกลิ่นอันหอมของดอกประวารพฤกในแดนสวรรค์เสียก่อนดอกบระวารพฤกดอกมาเห็งพระกฤษณะหรือดอกปารชาติใช่ไหมถูกแล้วกามนิตแต่ตอนเนี้ย เราคงไม่มีโอกาสได้สูดกลิ่นหอมของดอกปาริชาติกันหรอกด้วยเพราะกลิ่นหอมของดอกอโศกที่นี่นั้นฟุ้งกรบเสียสิ้นเลยการมณิทเมื่อเราอยู่ห่างไกลกันขอให้ท่านระลึกไว้เถิดว่าเราเคยได้รักได้สุขกันที่นี่ที่ลานอาโศกแห่งนี้และข้า กำลังเพียนถามข่าวคราวของท่านจากต้นอโศกแห่งนี้ด้วยความรักและคิดถึงท่านดังที่นางธงยันตีได้เพียนตามหาพระนนท์และเฝ้าถามต้นอโศกกลางป่าถึงพระนนทผู้เป็นที่รักยิ่งของนางท่านใดนั้นดอกอโศกสีแดงดอกหนึ่งก็ได้หล่นลงมาตกลงถูกแก้มของทั้งสอง และได้คละเคล้ากับน้ําตาของวาสิทถีวาสิถีหยิบดอกอโศกสีแดงดอกนั้นขึ้นมาจุมพิษและส่งให้กามานิตข้าจะเก็บดอกอโศกสีแดงดอกนี้ไว้แนบกายของข้าตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ระลึกอยู่เสมอว่าเจ้านั้นอยู่เคียงข้างข้าตลอดไปเมื่อพูดจบลงกามนิตก็หยิบดอกอโศกดอกนั้นเก็บไว้ในเสื้อ แนบกับอกของเขาเมธินียอดรักของข้าข้าก็จะเก็บดอกอโศกไว้แนบกายข้าเช่นกันแต่รักของเรานั้นไม่ร้อนแรงเป็นสีแดงเหมือนดั่งเช่นความรักของกามนิตฐละวาเศรษฐีหรอกความรักของเรานั้นต้องสวยสว่างสดใสดังดอกไม้สีเหลืองดอกนี้จะดูสิ ดอกไม้เราสวยงามอลามตากว่าเป็นไหนไหนสมทั์ท่านเข้าใจผิดแล้วความรักของข้านั้นไม่ใช่เปรียบดังสีใดๆของดอกไม้หากจะเปรียบแล้วคงเปรียบได้ดังสีดำดินของพระสอรพระศิวะที่ทรงดื่มพิษร้ายเพื่อรักษาโลกของเรานี้ไว้ให้พ้นภัยข้าเชื่อว่า ความรักที่บริสุทธิ์นั้นควรเป็นความรักที่เสียสละยอมขมขืนเพื่อผู้ที่เรารักดังสีนินหาใช้สีสันใดๆอันเป็นความบันเทิงสุขไม่แม่หญิงงามนักปราดแห่งตระกูลนายช่างทองอบรมสั่งสอนข้าอีกแล้วเมธินีนาว่าเป็นโชคอันดียิ่งของท่านแ ล, ล้วล่ะสมทั์ องยามแห่งความสุขกำลังจะหมดสิ้นลงไปแล้วเมื่อข้างฝ่ายสาตาเคียนผู้ยังโูกใจเจ็บต่อการมณิทเขาได้ส่งคนออกติดตามสืบข่าวจนรู้ชัดว่าการมณิทนั้นยังไม่ได้กลับไปกรุงอุเชนีพร้อมกับคณะราชทูตและยังได้แอบไป น, นัดพบกับวาสิธีที่เขาหมายปองอยู่ทุกค่ำคืน ดังนั้นในคืนมืดคืนหนึ่งสาตาเขียนจึงได้วางแผนส่งคนนับสิบมาดักประทุบสลายต่อกรมมนิตในขณะที่กำลังปีนหน้าผาไปหาวาสิถีคนรักข้าลอยากรู้จริงๆว่าคืนนี้สาวน้อยวาสถิถีจะแต่งกายด้วยชุดสีอะไรมันรอต้อนรับกรมมนิตอยู่ข้างบนนี้นะ ข้าก็อยากรู้เช่นกันว่าคืนนี้เมธินีจะหยิกเจ้ากี่ทีกันนะสมุทัตแต่ข้าว่าเจ้าทั้งสองคนคงหมดโอกาสที่จะได้เห็นนางกันเสียแล้วล่ะเพราะพวกเจ้าจะต้องนอนตายเฝ้าหน้าผากันอยู่ที่นี่แหละพวกเราข่ามันเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันสมุทัตระวังจับมานี สมทัตถ์ถูกพวกของสาตาเขียนมาดักกลุมทำร้ายหมายชีวิตที่กลางทางขึ้นหน้าผาสูงท่ามกลางความมืดมิดนั้นต่างฝ่ายตามมองไม่เห็นกันและกันมีเพียงเสียงร้องเสียงถามและแสงสเก็ดไฟและแป ล, ปลบยามที่คมดำประสานกันข้ามัน ข้าอยู่นี่สมมทัศเร็วถอยมาอยู่ข้างๆข้าเอาหลังพิงพาหินสู้กับพวกมันว้าเข้ามาเลยพวกลอบกัดยิ่งสนัทระวังสมมทัศนี่เนี่ยเอาอย่างไรดีกลมงนีพวกมันท้าว่าจังากันมากเจ้าใจเย็นไว้ข้าว่าข้าเก็บพวกมันไปได้สองคนแล้วละ่ะคงนอนอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละ ตอนนี้พวกมันคงบุกเข้ามาได้ไม่ถนัดนะคืนนี้พวกเจ้ามีรอดหรอกยอมแพ้พวกข้าซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าพวกเจ้าอยากตายกันอยู่ที่นี่ก็ได้เฮ้ยพวกเราจะจายกันล้อมมันไว้และจะตะเกียงขึ้นเร็วเขา้าทันใดนั้นกามนิธก็เห็นแสงวาบขึ้นทางด้านซ้ายจังหวะเดียวกันที่เห็นท่อนไม้ไผ่ที่ใช้สำหรับปีนหาทางข้างข้าง จึงกว้าไม้ไผ่ขึ้นแล้วพุ่งใส่ไปยังแสงวาบนั้น <c oughs> การมนิทพุ่งท่อนไม้ไผ่ไปถูกยังคนที่จุดตะเกียงได้อย่างแม่นยำทำให้ตะเกียงตกลงพื้นและดับลงสนิทความมืดมิดจึงปกคลุมอีกครั้งไปเร็วสมัทัตตามข้ามาทางนี้เร็วการมนิตได้อาศัยจังหวะที่เหล่าคนร้ายกาลังผากันตกตะลึง พาสมทัศน์วิ่งย้อนหนีออกไปอีกทางหนึ่งด้านที่ขนจุดตะเกียงถูกเขาพุ่งไม้ไผ่เสียบตายซึ่งแสงที่เกิดว่าบขึ้นเพียงนิดเดียวนั้นช่วยให้การมนิตมองเห็นทิศทางของช่องผาจนพอจดจําทางได้ถ้ากลางความมืดมิดนั้นกามนิตและสมทัศน์อาศัยความที่คุ้นเคยเส้นทางเป็นอย่างดีพากันไต่ลงจากภูเขาได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีพวกคนร้ายติดตามมาอีกจนกระทั่งลงมาอย่างบริเวณพื้นรากที่ปลอดภัยเอ๊ะนี่เลือดนี่กมัมมันต์ท่านถูกอาวุธของพวกมันเลยนีโโ่โอ้ยดูเหมือนข้าจะถูกอาวุธของพวกมันอยู่หลายแห่งเช่วละ่ะท่านละ่ะสมมัิท่านก็มีเลือดออกนี่นะเป็นอย่างไรบ้างสายของข้าข้าก็ถูกอาวุธของพวกมันเหมือนกันแต่ว่าแค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองมาเถอ ให้ข้าพันแผลให้กับท่านก่อนเดี๋ยวข้าจะช่วยพาพยุงท่านกลับบ้านป่านนี้วาสิทธิและเมธินีคงนั่งรอเรากันอย่างกังวลใจโท่วาสิทธิรุ่งเช้าสมทัตก็รีบออกไปแจ้งข่าวแก่เมธินีในขณะที่กรมนิดนั้นต้องนอนสมด้วยพิษไข้และบาดแผลอยู่ที่บ้านเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรถึงว่าสิ เมื่อคืนข้ากับวาสิทธิ์นั่งคอยท่านทั้งสองอยู่จนค่ำดึกวาสิทธิเองนั้นก็เฝ้าแต่กังวลทุกข์เกรงว่าจะเกิดเหตุไม่ดีกับท่านทั้งสองเธอทั้งกังวลและร่ําไห้จนข้าต้องช่วยประคองพา เ, าเข้าบ้านใจของกามนิธิและวาสิทธิเนี่ยช่างผูกพันเป็นสายใ ย, ายเดียวกันจริงๆเมื่อคืนนี้ขณะที่ข้าประคองกามนิธิกลับบ้าน เขาก็เฝ้ารำพันเป็นห่วงเป็นใ ย, ยวาสิถีกลัวว่านางจะเฝ้ากังวลจนล้มเจ็บแล้วเจ้าล่ะเมทินีเป็นห่วงเป็นใ ย, ยข้าบ้างหรือเปล่าไม่เลยสักนิดเดียวไหนขอข้าช่วยดูบาดแผลให้ท่านนะไม่ต้องหรอกเมทินีข้านั้นหายเจ็บตั้งแต่ตอนที่ได้เห็นหน้าเจ้าแล้วเจะรีบไปแจ้งข่าวแกว่าสิถีเถิดส่วนข้า ก็จะรีบกลับไปดูแลกรรมนิชต์อ๋อจะบอกวาสิทธิไปเพียงว่ากรรมนิชตฟกช้ำแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะขับไปก่อนละเมทินีเมื่อไปถึงที่ปราสาทของวาสิทธิก็พบว่าวาสิทธินั้นนอนป่วยอยู่จึงไม่รีบปลุกและบอกนางตราบจนบ่ายคล้อยวาสิทธิจึงได้ตื่นขึ้น และเมื่อได้ฟังข่าวของคนรักนางก็ร่ำไห้ด้วยความห่วงใยโทกามนิทนี่ท่านต้องมาเสี่ยงชีวิตก็เพราะข้าแท้ๆตื่นแล้วหรือวาสิธีเป็นอย่างไรบ้างลูกรักอาการเจ้าดีหรือยังอา้าวนี่เจ้าร้องไห้หรือนี่เปล่าคะท่านพ่อลูกเพียงฝันร้ายนะ่ะ ตอนนี้ลูกหายดีแล้วนี่เป็นข่าวที่น่า ย, ยินดีนักลูกรู้ไหมทุกคนล้วนพากันเป็นห่วงในอาการป่วยของลูกเมื่อสักครู่นี้สาตาเคียนบทท่านประธานมนตรีก็มาเยี่ยมเจ้าอย่างไรเสียลูกก็ต้องพักผ่อนให้มากๆจะได้แข็งแรงดังเดิมเออนี่เมธินี ลุงฝากเจ้าช่วยดูแลวาสิทธีด้วยนะค่ะท่านลุงเออแล้วก็ต่อไปนี้พ่อขอห้ามเจ้าทั้งสองออกไปเที่ยวเล่นที่ลานอโศกอีกท่านพ่อทาไมต้องห้ามลูกไปที่ลานอโศกด้วยท่านพ่อก็ทราบดีว่าลูกนั้นรักและผูกพันกับที่นั่นเจ้ายังคงไปที่ลานอโศกได้ลูกรัก แต่ว่าเมื่อหลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วพ่อขอห้ามมันอันตรายลูกรักเมื่อคืนนี้พ่อได้ข่าวว่ามีพวกคนแต่งชุดดำมาป้วนเปียนอยู่แถวแถวเชิงเขาด้านล่างลานอโศกดังนั้นพ่อขอสั่งห้ามเจ้าทั้งสองเด็ดขาด วาสิธีต้องตรอมใจจนล้มป่วยลงอีกครั้งไหนจะเป็นห่วงคนรักไหนจะต้องทุกข์ใจที่ไม่ได้พบกับคนรักอีกช่วงเวลาที่ทั้งสองต่างนอนเจ็บอยู่นี้ก็ได้อาศัยเมทีนี้เป็นผู้คอยส่งความรักและความห่วงใยถึงกันและกันทั้งดอกไม้กาบกลอนสารรักต่อมาไม่นานนัก ทั้งกามนิตรและวาสิทธิก็หายดีเป็นปกติและทั้งสองก็เริ่มนัดพบกันอีกครั้งแต่คราวนี้ต้องนัดพบกันตอนกลางวันกลางที่จุมชนและไม่อาจพูดจากันได้อย่างเปิดเผยนักทวกกามเิตรของข้าท่านแลดูซุกโสมเหลือเกินนี่เป็นเพราะข้าแท้ๆเชียวที่เหนียวรังท่านไว้ จนต้องประสบกับอันตรายจากพวกของสาตาเคียนเจ้าอย่าได้พูดเช่นนั้นสิวาสถิถีข้านั้นสมัครใจที่จะได้อยู่ใกล้ๆเจ้าและข้าก็สุขใจยิ่งนักต่อให้พยันตรายใหญ่หลวงแค่ไหนข้าก็ไม่เคยวันขอเพียงข้าได้อยู่กับเจ้าก็พอแล้ววาสิทธิข้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบเจ้าข้าก็ดีใจคำวนี้ แต่ข้าก็ทุกข์ใจด้วยกลัวว่าท่านนั้นจะได้รับอันตรายอีกโทษวาสิทธิกรรมนิทให้แสนอึดอัดใจยิ่งนักเขาอยากจะเข้าไปโอบกอดปลอบโยนวาสิทธีแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ด้วยมีสายตาผู้คนนับร้อยคอยจับจ้องมองอยู่ทันใดนั้น ว่าสิทธิก็เหลือบสายตาไปเห็นพวกของสาตะเคียนเดินมุ่งมาแต่ไกลกามนิศนั่นพวกของสาตาเคียนกําลังเดินมายัางเราท่านกลับไปก่อนเถิดเหตุใดเราจึงต้องหลบพวกมันด้วยล่าวาสิทธิข้าไม่กลัวพวกมันหรอกที่รักของข้าแม่ข้าจะต้องเจ็บปวดที่ต้องเฝ้าทนทุกข์คิดถึงท่าน แต่ใจของข้าไม่อาจที่จะทานทนรับได้เมื่อต้องรู้ว่าท่านนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายกามนิศข้าใคร่ขอร้องต่อท่านท่านจงเดินทางกลับกรุงอุทเญนีก่อนเถิดนะอย่าปล่อยให้ข้าต้องทนทุกข์ใจเช่นนี้เลยโธวาสตี ก็ได้ข้าจะทำเพื่อเจ้าแต่ก่อนที่ข้าจะต้องจากเจ้ากลับกรุงอุชเญนีขอให้เราสองคนได้มีโอกาสพบกันตามลำพังเพื่อร่ำลากันอีกสักครั้งก่อนเถิดแล้วข้าจะคิดหาหนทางอีกทีตอนนี้เราแยกกันก่อนทนาที่รักพวกมันเข้ามาใกล้แล้วอีกสามวันต่อมา กามนิทก็ได้คุมกองเกวียนออกจากกรุงโกสัมพีตั้งแต่ยามบ่ายขณะที่ผู้คนกำลังพลุกพล่านเพื่อแสดงให้แก่พวกของสาตะเคียนได้เห็นว่าเขาได้คุมกองเกวียนกลับกรุงปุเชนีแล้วแต่เมื่อกามนิตเดินทางไปจนถึงหมู่บ้านแห่งแรกเขาก็พากองเกวียนหยุดพักที่นั่น และตัวเขาเองก็รีบควบม้าย้อนกลับมาทางกรุงโกสัมพีอีกครั้งและเลี้ยวมุ่งเพื่อไปยังบริเวณป่าประดูรลายที่อยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโกสัมพีอันมีเทวไลของพระกิษณาร้างอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีหญิงชราอาศัยอยู่และที่แห่งนี้เป็นที่ที่คนหนุ่มสาวนิยมพากันมาพบหญิงชรา เพื่อให้นางช่วยทำนายถึงเรื่องความรักและอนาคตนี่ก็คืออุบายของวาสิทธิค่ำนี้นางได้ขอบิดาไปพบหญิงชาราที่เทวรายร้างนอกเมืองโดยไปกับเมธินีและพวกบ่าวอีกหลายสิบคนบิดาของนางไม่มีสิ่งใดสงสัยจึงอนุญาตแต่โดยดี การมนิทควบม้ามาถึงบริเวณป่าประดูรายในตอนค่ำเขาได้พบพวกเบาวของโสมทัศน์และวาสิทถีกระจายกันอยู่รอบๆ บ, บริเวณเทวาลายัยจึงรีบควบม้าผ่านเข้าไปยังเทวไลัยนั้นและพบวาสิทถีสมทัศน์และเมธินียืนรออยู่วาสิถีวาสิทถี นี่ข้าไม่ได้พบเจ้าเพิงไม่กี่วันแต่ข้ารู้สึกว่ามันช่างนานเหลือเกินข้าก็เช่นกันกาแมนิททั้งสองโผลเข้ากอดกันด้วยความโหยหายิ่งพวกท่านพูดคุยกันตามสบายแต่นะข้ารับรองได้ว่าจะไม่มีใครมารบกวนพวกท่านแน่เดี๋ยวข้ากับเมทินีจะเข้าไปพบแม่หญิงชราข้างในเทวไลละไปกันเถิดเมทินี วาสิียอดรักของข้าข้าขอให้สัญญาว่าพอสิน้นฤดูฝนแล้วข้าจะรีบกลับมาสู่ขอเจ้าให้เร็วที่สุดข้าจะรอท่านกามนิตข้าจะนั่งนับวันรอท่านและข้าก็ขอให้สัญญาว่าข้าจะรักท่านเพียงคนเดียวข้าก็จะรักเจ้าเพียงคนเดียววาสิทีทั้งสองนั่งลงประคองกอดกัน และจุมพิษกันด้วยความปราบรื้มจนน้าตาไหลนองแก้มทั้งสองคนเราจะซื่อสัตย์และมั่นคงต่อกันนะกามนิทข้าจะซื่อสัตย์และมั่นคงต่อเจ้าวาสิทธิต่อให้ความตายมาพรากข้าก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากเจ้าต่อให้ความตายมาพรากข้าก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากท่านเช่นกันกามณิต ทั้งสองปฏิญญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปจากนั้นคู่รักต่างก็ปรึกษากันถึงหนทางที่จะทำให้รักได้สมหวังด้วยความสุขใจเป็นยิ่งนะักไม่ช้าเมธินีและสมะทัตก็ออกมาจากเทวาลพร้อมกับหญิงชราซึ่งนางได้มองแล้วก็ทัก พร้อมอาสาจะทำนายความเป็นไปในภายหน้าให้กับกามนิตและวาสิธีแต่วาสิธีปฏิเสธไปว่านางและกามนิตเป็นเพียงผู้ติดตามของเมทินีเท่านั้นหญิงชราจึงกลับเข้าไปข้า ข, ข้าหวั่นวิตกว่านางจะทำนายแต่เรื่องร้าย ข้าคงจะทนรับฟังไม่ไหวเป็นแน่กามนิตข้าจะกลัวว่านี่จะเป็นลางร้ายบอกเหตุว่าเรานั้นจะไม่ได้พบกันอีกมันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกว่าสิทีเราต้องได้พบกันอีกเราต้องได้อยู่ร่วมกันกามานิตหากเราไม่ได้พบกันอีกในชีวิตนี้ เราก็จะยังคงซื่อสัตย์ต่อกันนะและเมื่อชีวิตอันสั้นและหลันนทษนี้สิ้นลงเราก็จะไปเสาะหากันในสวงสวรรค์และอยู่ครองที่พยาสุขร่วมกันที่นั่นกามนิขอท่านให้คำมั่นนี้แก่ข้าเถิดนะเพราะจะทำให้ข้าได้ยืนหยัดมีพาระกำลังเหนือกว่าด้วยคำปลอบประโลมใดๆ เพราะเราไม่อาจต้านทานเคราะห์ร้ายที่โถมกระหน่ำอยู่นี้เหมือนดังต้น อ, อ้อไม่อาจขวางกั้นสายน้ําเชี่ยวขอเพียงมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวทุ่มเทกําลังทั้งหมดเพื่อชีวิตใหม่เราสองคนก็จักสมหวังเป็นแน่แท้หากอาศัยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วจักสมหวังไซวาสิธีที่รักเชไหนเลย ข้าจะหาเจ้าไม่พบเล่าไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์หรือว่าโลกใดๆแต่ขอเราจงหวังถึงชีวิตใหม่ของเราในโลกนี้เถิดอย่าเลยโลกนี้ทุกสิ่งหาความแน่นอนไม่ได้แม้แต่ชั่วเวลาที่เราพูดกันอยู่นี้ก็หาใช่ของเราไม่สวรรค์จึงจะเป็นสิ่งที่จริงแท้สวรรค์มีจริงจริงเหรอสวรรค์อยู่ไหนวาสิถี สวรรค์อันสว่างรุ่งเรืองภ a i รานั้นอยู่ทางทิศตะวันตกผู้ใดรู้สึกเบื่อหน่ายในวิสัยโลกแล้วตั้งจิตเป็นสมาธิมุ่งแต่สถานอันเป็นบรมสุขก็จะได้ไปอุบัติในดอกบัวกลางน้ำอันศักดิ์สิทธิ์บนแดนสวรรค์ทุกครั้งที่จิตคิดดีทุกครั้งที่ปฏิบัติดีดอกไม้ทิพนั้นก็จะเริญงงอกงามแต่ถ้าความคิดวาจา และการกระทาเป็นไปในทางชั่วดอกไม้ทิพนั้นก็จะเหี่ยวแห้งไปโดยเร็วว่าสิทธีชี้ไปบนท้องฟ้าที่มีทางช้างเผือกสว่างเป็นทางอยู่ดูสิกามนิส์นั่นคือแม่น้ำคงคาในสวรรค์ขอให้เราปฏิญญาณต่อสายน้ำคงคานั้นซึ่งหล่อเลี้ยงดอกบัวนในสระบนสวรรค์ ให้เรามุ่งดวงจิตแน่วแน่เตรียมการไปประสบสุขอยู่นิรันดร์การบนนั้นเถิดในยามนั้นความรู้สึกของหนุ่มสาวก็อัดอั้นด้วยความอะไรรักที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อได้พบกันช่วยกันฟูมฟักเป็นอันดีจนงอกงามแต่แล้วกลับมีเหตุพาให้ต้องจากกันไกล และไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าการภายหน้าจะได้พบกันอีกครั้นแล้ววาสิถีก็หมดแรงต้านทานต่อความอะไรพละงายสิ้นสติลงกามนิ์ค่อยประคองนางส่งให้เมธินีด้วยความอะไรยิ่งแล้วตัดใจกระโดดขึ้นหลังมา้าควบออกจากที่นั้นไป วาสทธีข่าขอฝากพวกท่านช่วยดูแลวาสิทธีของข้าด้วยนะเมทินีโสมทัตสหายรักแล้วข้าจะรีบกลับมากองเกวียนของกามนิตร้อนแรมเดินทางจากโกสัมพีมาได้สิบสองวันก็มาถึงบริเวณหุบเขาที่ร่มรื่น และมีแม่น้ำลำน้อยใสยเย็นไหลผ่านซึ่งกรมมณิท จ, จำได้ดีว่าที่บริเวณนี้ได้เคยเดินทางผ่านในครั้งขามาด้วยความชื่นชอบในภูมิประเทศเขาจึงสั่งให้กองเกวียนหยุดพักแรมที่นี่แม้ว่าเพิ่งจะเป็นเวลาเพียงเที่ยงวันก็ตามหลังจากได้ลงอาบน้ำในลำทานอย่างเบิก บ, บานใจแล้ว กามานิตก็ขึ้นมานอนเอนกายทิดใต้ต้นไทรใหญ่อย่างสบายอารมณ์จนกระทั่งเคลิ้มหลับไปวาสธีวาสธีนี่เจ้าจุงมือจะพาข้าไปที่ไหนเราไปสู่แดนสวรรค์ด้วยกันนะกามานิตสวรค์หรือนี่คือแดนสวรรค์หรือวาสธี กาแมนิทตกใจตื่นขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงเอะอตอึกกระทึกนั้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็พบว่ามีคนถืออาวุธอยู่ทั่วบริเวณนั้นบ้างก็กำลังต่อสู้ไล่ฟันพวกบ่าวของเขานี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเจ้าเป็นใครกันรัวากามนิทรู้ได้ทันทีในบัตรนั้นว่าพวกโจรกำลังเข้าปล้นกองเวียนของเขาแล้ว ยังรีบคว้าดาบคู่กายแล้ววิ่งเข้าไปสมทบกับพวกบบาที่กลุ่มกองเกวียนที่จัดเป็นวงร้องต้นไม้ใหญ่ไว้ข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวพวกมันรีนี่ไงนี่น่ะทั้งสองฝ่ายเขาฟาดฟันห้ามหันกันอย่างไม่กลัวเกรงพวกบบาของกรมนมิ์เองนั้นก็ล้วนเคยฝึกดาบและเคยเจอเจอพวกโจรปล้นชิงกันมาแล้วทุกคนนี่ ข้าอีกหนึ่งละเข้ามาเลยพวกโจรป่าทัานใดนั้นกามณิตก็เห็นชายรูปร่างใหญ่โตคนหนึ่งถือดาบเดินทื่อเข้ามาหาเขาอย่างไม่กลัวเกรงผู้ใดชายคนนั้นหน้าตาไว้หนวดเครารุงรังดูน่ากลัวยิ่งนักขณะที่เขาเดินเข้ามาเบาคนหนึ่ง ก็ได้เข้าสกัดขวางแต่ก็ถูกชายร่างใหญ่ฝันเอาจนตัวแทบขาด<ๆ>เมื่อยิ่งใกล้เข้ามากามะนิทก็เห็นว่าที่คอของชายคนนั้นหาได้คล้องด้วยสร้อยประคำไม่แต่ว่าเป็นนิ้วหัวแม่มือของคนผูกร้อยเป็นพวงอยู่รอบคอฮะนี่นี่ จ, จอมเจ้าหนุนพลิมานนี่ตาย จะต้องตายองคุริมานเดินมุ่งเข้ามาหมายชีวิตของกามนิต ด, ด้วยสีหน้าที่โกรธแค้นจนเมื่อเข้ามาใกล้ถึงตัวเขาก็เงื้อดาบอันใหญ่โตขึ้นและฟันลงมาทันทีฮึอกามนิตยกดาบขึ้นรับไว้แต่ก็ถูกองคุริมานฟันเข้าเต็มแรง จนดาบของกามนิตกระเด็นหลุดจากมือและตัวเขาเองก็ล้มลงนี่นี่จอมจอรุนคุริมานเราจะต้องตายแล้วลุวนี่วาสิทีวาสิทีองคุริมานเดินก้าวเข้ามายืนคร่อมร่างของกามินิตแล้วเงือดาบขึ้นอีกครั้งหมายที่คอของกามานิตเจ้าตายซะเถิด อย่าองคุริมานยาท่านใดนั้นเองก็ได้มีชายสีสรดลน้นใบหน้าเกลี้ยงเก่าผิดโจนทั่วไปปราดเข้ามาคว้ามือขององคุริมานเอาไว้อย่าทำเช่นนั้นองคุริมานเราต้องเก็บเจ้าหนุ่มคนนี้เอาไว้ข้าต้องฆ่ามันท่านวาชศพมันบังอาจฆ่าวิชานมันต้องตายแต่เราออกมาปล้นกันเพื่อสิ่งใดกันเล่าองคุริมาน เพราะพวกเราต้องการเงินทองเพื่อปากทองของพวกเราไม่ใช่หรือเก็บชีวิตมันไว้เรียกค่าไทยตัวเพื่อปากทองของพวกเราเถอะฮึค้าระยะค่ามันที่หนักจับมันมาดเาไว้องคุริมานให้คับแขนใจยิ่งนักที่ไม่อาจฆ่ากรมมนิตให้สมแขนได้ดั่งใจจึงกระชากสร้อยแก้วตาเสือจากคอของกรมมนิตออกมาเพื่อระบายแขน กมณิทเมื่อรู้ตัวว่ารอดตายแน่แล้วก็หันไปมองดูรอบๆกายแต่แล้วก็ต้องให้เศร้าสลดใจเมื่อเห็นพวกบาว่าวไพร่ต่างถูกฆ่าล้มตายกันกลาดเกลื่อนเหลืออยู่เพียงโกฤิบ่าวคนสนิทของปีดาซึ่งถูกจับมัดมือไพร่หลังอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น พ่อแม่ลูกได้ทำเรื่องผิดพลาดใหญ่หลวงนะักลูกทำให้พวกบ่าวต้องมาล้มตายลงนี่เป็นเพราะลูกคนเดียวแทๆ้ๆลูกขอโทษลูกขอโทษเราพวกโจรต่างพากันโห่ร้องยินดีกันอย่างบ้าคลั่งบ้างถือดาบกวัดแกว่งเต้นรำกันบ้างบ้าคลั่งมาก ถึงขนาดขิ้วศีรษะของพวกบ่าวมาชูโหร้องเต้นรำด้วยกามนิตเห็นภาพอันอเนตอนาจใจเช่นนั้นก็ต้องเบือนหน้าหนีแต่ก่อนที่เขาจะหลับตาลงเพื่อหนีภาพความจริงนั้นพลันเขาก็เห็นดอกอโศกสีแดงที่วาสิทธีมอบไว้ให้แก่เขาหล่นอยู่ที่พื้นหญ้าและพวกโจรคนหนึ่ง ก็ได้เหยียบลงบนดอกไม้นั้นกามนิทให้รู้สึกปวดร้าวเรากับได้ถูกโจนคนนั้นเหยียบย่ำลงตรงกลางดวงใจวาสิธีโท ว, วาสิธีพวกโจนต่างพากันรื้อค้นทรัพย์สินตามกองเกวียนบ้างก็เชิดโคนามาปิ้งย่าง แจกใจกันอย่างสนุกสนานว่าจะสพพร้อมสมุนอีกสองคนรวมทั้งองคุรีมานนำตัวโกริตผู้เบาเดินตรงมายังเขาข้าจะปล่อยเบาของเจ้ากลับไปบอกพ่อแม่ของเจ้าว่าให้ส่งเงินมาถ่ายตัวเจ้าห้าสิบมื่นกะหาปณะภนะายในเวลาหนึ่งเดือนหากได้มาไม่ครบจานวนหรือช้าไปเพียงครึ่งวันข้าจะพาเจ้าเป็นสองท่อน แล้วยกศพเจ้าว่าให้บุคคลได้ดูได้เห็นกันตามทางเดินด้วยมือของข้าเองจำเอาไว้องค์คุริมานเขียนตัวอักษรสองสามตัวลงบนใบลานแล้วยื่นให้วาดจ้ศพเจ้าจงถือใบลานขององค์ุริมานนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลามันจะช่วยให้เจ้าผ่านทางได้สะดวกหากฝาพวกโจรไม่ว่ากลุ่มใดก็ให้พวกมันดูใบลานนี้ แล้วจะไม่มีใครขวางเจ้าหรือกระทั่งขากลับมาที่นี่ก็ให้เจ้านาเงินมาคนเดียวใบลานนี้จะเป็นใบผ่านทางจะไม่มีใครกล้าชิงเงินบรรณการค่าไท่ตัวขององค์คริ ม, มารที่เจ้าถือมาเจ้าจงรีบไปและรีบมาให้ทันกาหนดหนึ่งเดือนเพื่อรักษาชีวิตนายของเจ้าปล่อยมันไปได้โกลิด ฝากบอกบิดามารดาของข้าด้วยว่าข้าปลอดภัยดีและข้าเสียใจยิ่งนักที่ทําให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะข้านายท่านกามนิศข้าจะรีบไปรีบมานายท่านรักษาตัวให้ดีนะขอรับข้าไปละนายท่านเมื่อพูดจบโกริศผู้บ่าวก็ออกวิ่งไปในทันทีแก้มัดให้มันซะพวกเรา ฉลองกันในเต็มที่ทันทีที่การมนิทถูกแก้มัดเขาก็วิ่งล้นลานไปที่ลานหญ้าเพื่อหาดอกอโศกสีแดงของวาสิทธีแต่ทั่วทั้งบริเวณ น, นั้นไม่มีแม้เศษกลีบดอกอโศกสีแดงสัดนิดให้เห็นอยู่เลยกามนิตนั่งรำพึงรำพันอยู่ที่ลานหญ้าแห่งนั้นโธ่วาสิถี นี่ความสุขของสองเราจากสูญสิ้นแล้วหรือนี่ความสุขที่เราเคยมีที่ลานะโศกจะไม่มีวันเช่นนั้นอีกแล้วหรือนี่เจ้าคงเฝ้าถามต้ น, นโศกถึงตัวข้าข้ายังอยู่นะวาสิธีข้ายังอยู่และยังคงรักเจ้าอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงวาสิธี วันเวลาล่วงผ่านไปหลายวันกามนิตต้องร่อนเร่ไปกับพวกกลุ่มโจรหลายครั้งที่เขาได้พบเห็นการป้นฆ่าชาวบ้านและพอถึงยามที่พวกโจรดื่มฉลองกันเมามมยครั้งใดองคุริมานก็ร่ำร่ำจะคว้าดาบมาบันคอเขาเสียหลายครั้งด้วยยังคิดแค้นที่กามนิตสังหารสมุนคนสนิทไปต่อหน้าต่อตาองคุริมาน เพราะดีที่ยังมีวาจฉศโจรศีษะโลน้นผู้เป็นดังปราดและครูของหมู่โจรคอยช่วยห้ามไว้ท่านจะทําผิดต่อเจ้าแม่กาลีหรือองค์คริมานสัจจะของท่านที่ได้รับความเชื่อถือในหมู่โจรทั่วไปนั้นฉไหนเลยท่านจะฆ่าหนุ่มกาเมณิทผู้นี้ให้ค้นพากันสิ้นความเชื่อถือในสัจจสัญญาของท่านได้เล่า อดใจไว้ข้ามันตอนที่เบาของมันมดไทยตัวไม่ทันตามกำหนดเวลาเถิดฮึข้าจะรอวันนั้นข้าจะรอวันได้ข้าเจ้าฮึข้าข้าต้องขอบคุณท่านว่าจะศพอีกครั้งที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าอย่าได้กลัวไปเลยกามมนิปตามชะตาของเจ้านั้นเจ้าจะไม่ประสบเคราะหกรรมเช่นนี้หรอกหากแต่จะเป็นเคราะหกรรมอย่างอื่นมากกว่า ซึ่งยังคงอีกนานนักกามนิศเจ้านาเกิดในเลิกดาวโจรต่อไปเจ้าอาจจะต้องกลายเป็นโจรเยี่ยงพวกข้าก็เป็นได้จริงรูน้นี่ท่านว่าจะศพคนที่เกิดในเลิกดาวโจรจะมีชะตากรรมให้ต้องเป็นโจรทุกคนเลยหรือก็ไม่ทุกคนหรอกแล้วแต่ชะตากรรมของแต่ละคนข้าเองก็เกิดในตระกูลวั น, นพรามณ์แต่ชะตากรรมก็ได้ลิขิตข้าให้มาเป็นโจร ข่าเห็นว่าการเป็นโจรเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งผิดท่านไม่เห็นเป็นเช่นนั้นหรอกหรือการเป็นโจร น, นั้นผิดต่อราชทันผู้เป็นโจรพึงยาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับได้หากเคาะร้ายถูกจับได้พึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อห น, นีเอาตัวรอดไม่เช่นนั้นอาจถูกลงโทษถึงแก่ประหารชีวิตแต่การเป็นโจรไม่ผิดต่อเทวทัน ไม่ผิดต่อกฎที่อยู่สูงกว่ากฎกระบินเมืองที่ข้ากล่าวเช่นนี้ก็ด้วยข้ออ้างอิงสามประการคือความว่างเปลา่าคำพีพระเวทและตำนานโบราณข้าเองก็เคยร่ำเรียนทั้งสามเรื่องนี้มาบ้างในเรื่องความว่างเปล่านั้นร่างกายคนหรือสัตว์ย่อมประกอบขึ้นด้วยอนุอันมีขนาดเล็กจนแบ่งแยกม่ได้ ด้วยเหตุนี้การใช้ดาบฟาดฟันคนหรือสัตว์ดาบย่อมฟันลงไปในที่ว่างเปล่าระหว่างอนูไม่ฟันโดนสิ่งไรจึงไม่ผิดไม่บาปไม่ต้องถูกลงโทษในนรกในข้อสองคำพีพระเวทพรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่แท้จริงอย่างอื่นล้วนเป็นมายาไม่มีตัวตนอยู่จริงดังนั้นการฆ่าก็เป็นมายา เพียงแต่ผู้ฆ่ารู้สึกไปเองว่าได้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าก็รู้สึกไปเองว่าตายทั้งสองฝ่ายต่างสำคัญผิดที่แท้ไม่มีใครฆ่าและไม่มีใครถูกฆ่าใครที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงไม่บาปในทางกลับกันผู้ให้ทานไฝ่ความสงบเสียสละความสุขเพื่อผู้อื่นก็ไม่ได้อานิสงผลบุญแต่อย่างใดสิ่งทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ ล้วนมาจากพรหมอันบริสุทธิ์ใครประพฤติดีชั่วอย่างไรก็ยังบริสุทธิ์เป็นพรหมอยู่เช่นเดิมในข้อที่สพระพรหมเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายตำนานโบราณกล่าวไว้ว่าพระพรหมเป็นผู้กินแต่ไม่ถู ก, กินดังนั้นการเป็นโจรทำลายล้างผู้อื่นจึงเท่ากับว่าประพฤติตนอย่างพรหม แต่ที่ข้าเคยร่ําเรียนมานั้นทั้งเรื่องความว่างเปล่าคำภีพระเวทและตำนานโบราณไม่ใช่อย่างที่ท่านว่าจะสอบพูดเลยนี่นาอยู่ที่ว่าใครสอนเจ้าละ่ะและต้องการสิ่งใดอย่างเช่นการที่มีผู้สอนว่าใครทําร้ายผู้อื่นจะต้องได้รับโทษในนรกนั้นที่แท้เป็นการขู่ให้กลัวเป็นลทัทธิของขนอ่อนแอไว้ใช้อ้างเพื่อปกป้องตนเอง ให้พ้นภัยจากผู้ที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นเจ้าไม่ใช่พวกที่อ่อนแอใช่ไหมกามนิศข้าไม่ใช่พวกที่อ่อนแอท่านวาชิสมดีแล้วนี่อีก8ดคืนจะเป็นคืนวันขึ้น8ดค่าเป็นช่วงว่างเว้นจากการปล้นพวกเราจะมีการชุมนุมกันและข้าจะแสดงลัทธิโจรต่อพวกเราทุกคนเป็นประจำข้าจะให้เจ้าได้เข้าฟังด้วย เพื่อเจ้าจะได้เรียนรู้ให้กระจ่างยิ่งขึ้นข้าขอขอบคุณท่านลัทธิลึกลับที่สอนกันในหมู่โจรนั้นฟังมีอุดมคติเพราะอ้างอิงคำปราดซึ่งกรรมนิทเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วแต่ในฉบับของโจรนั้นแปลไปในทางส่งเสริมกิจการโจรให้รุ่งเรือง มุ่งหมายให้สมาชิกมีความเยี่ยมหารกระทำการด้วยความเชื่อมั่นว่านี่เป็นคันลองทำกามนิศเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพวกโจรจึงกระหายต่อการฆ่าและสามารถฆ่าผู้คนที่ไม่เคยรู้จักหรือเคยโกรธแค้นกันมาก่อนได้อย่างเืดเย็นไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆได้เช่นนั้นมนุษย์เรา มีความเชื่อที่แตกต่างกันนี่เองมาแล้วมาแล้วผู้ส่งวัชัยตัวกรมานิดแล้วไปพามันมาหาข้าที่นี่ฮึมเจ้ามาได้เร็วเกินคาเข้าขหวังที่จะได้บันคอนายของเจ้าอยู่แล้วเชียวพวกเจ้านับเงินบรณาการสิครบหรือไม่ครบทุกคน ท า, จจทางนั้นก็ปล่อยตัวการมณิทกลับไปได้ให้มนรีบไปให้พ้นสายตาข้าจัดคนของเราสี่คนตามไปส่งมันให้ถึงเมืองอุเชนีหากว่าพวกเจ้าสองคนได้รับอันตรายแม้เพียงนิดไอ้สี่คนนี้จะถูกฆ่าประหารด้วยมือของข้านี่คือสัจจะขององคุลิมานไปได้แล้วข้าการมนิทขอขอบคุณในคำสัตมั่นสัญญาของท่าน เออแต่ว่าก่อนไปข้าอยากจะขอสร้อยแก้วตาเสือของข้าคืนจากท่านด้วยเถิดท่านองคคุลีมานไม่ได้ขับปลดเอาทุกอย่างของเจ้ามาแล้วเหลือเพียงชีวิตของเจ้านี่แหละที่บาของเจ้ามาไทยเอาไว้ได้นี่เจ้ายังไม่พอใจอีกหรือฮึมเจ้าไปเถิดกามนิตอย่าได้ห่วงสิ่งใดอีกเลยขอให้เจ้าเดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยนะ แล้วเราอาจจะได้พบกันอีกบนเส้นทางสายมืดแห่งเจ้าแม่กาลีข้าจะไม่ลืมในความเมตตาของท่านที่มีต่อข้าเลยท่านวายศพค า, า, า, าราธละกามนิศได้รับอิสรภาพกลับมาสู่กรุงอุเชนีอีกวาระหนึ่งระหว่างนั้นแม้ว่าจิตใจของกามนิศจะร่ำหาวาสิถีมากเพียงไร แต่เขาก็ไม่สามารถเดินทางไปพบได้เพราะบิดาก็ไม่ยอมให้บุตรชายเสี่ยงอันตรายรวมทั้งชีวิตบาวไพรและทรัพย์สินไปได้อีกกระทั่งเวลาได้ผ่านไปวาสิทยอดรักของข้าต้นนโศกได้บอกเจ้าหรือไม่ว่าใจข้านั้นได้ลอยไปอยู่เคียงข้างเจ้าที่กรุงโกสัมพีแล้ววาสิที เจ้าจงรับรู้ไว้เถิดนะวาสิธีนี่วาสิธีลูกไม่เข้าใจหรือไงว่าพ่อและแม่นั้นหวังดีต่อลูกเพียงใดสาตาเขียนั้นเขารักเจ้ามากนักและเขาก็เป็นชายหนุ่มที่เพียบพร้อมที่สุดในกรุงโกสัมพีของเราที่อากจะหาใครเสมอเหมือนได้อีกแล้วท่านพ่อหยุดบังคับลูกเถิด อย่างไรเสียลูกก็จะไม่ยอมแต่งงานกับใครทั้งนั้นลูกรักกามนิตเพียงคนเดียวลูกจะแต่งงานกับกามนิทเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วไหนล่ะกามนิทของเจา้านี่ก็พานหน้าฝนไปนานแล้วไหนล่ะคนรักของเจา้าที่เจ้ามั่นใจในตัวเขานักอย่างไรลูกก็จะรอกามนิทได้โปรดเถิดท่านพ่ออย่าได้บังคับลูกอีกเลย ลูกคงยอมตายถ้าให้ลูกต้องแต่งงานกับสาตาเคียนลูกยอมตายเอาละเอาละพ่อไม่ฝืนใจลูกแล้วละ่ะแต่ที่พ่อทำไปก็เพื่อลูกนั่นแหละลูกจะได้โกรธพ่อเลยนะเออมธินี่ลุงฝากจะช่วยดูแลวาสิทธิ์ด้วยนะค่ะท่านลุงท่านอย่าได้ห่วงเลย เมทินีนี่ก็เลยหน้าฝนมานานมากแล้วแต่ข้าไม่ได้ข่าวของกามนิตเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นเช่นไรบ้างกามนิตเขาคงหาทางมาพบเจ้าอยู่นั่นแหละวาสิธีซึ่งตอนนี้เขาอาจจะกำลังเดินทางยกขบวนมาสู่ขอเจ้าก็ได้นะข้าเชื่อว่าเขาต้องมาหาเจ้าแน่ๆอย่าห่วงเลยนะวาสิธีข้าก็เชื่อเช่นนั้นเมธินี กามณิศคงกำลังเดินทางมาหาข้าพระเจ้าอุเทนผู้ครองกรุงโกสัมพีทรงทราบข่าวความเหิมเกริมของโจรองคุริมานจึงได้มอบหมายให้สาตาเคียนยกกองทหารไปปราบในที่สุดก็สามารถทำลายล้างจับได้ตัวองคุริมานและวาดชศะ นี่มันสร้อยแก้วตาเสือของไอ้เจ้ากามานิดหนีนาเจ้าโจรเถื่อนนี่เจ้าไปได้สร้อยนี้มาได้อย่างไรกันข้าเคยดักป้นกองเกวียนของมันและจับตัวมันเอาไว้ได้แต่ภายหลังเมื่อบ่าวขามันนำเงินมาไถ่ตัวข้าก็ปล่อยมันกลับกรุงอุเชนีไปดีละถ้าอย่างนั้นเจ้าไปกับข้าถ้าหากเจ้าทำตัวได้ดีข้าจะไว้ชีวิตเจ้าให้รอดส่วนไอ้พวกที่เหลือนี้ ทหารจงจับพวกมันไปตัดหัวเสียให้สิน้นแล้วเอาไปเสียบประจานไว้ที่กำแพงเมืองสาตาเขียนได้นำตัวองคุริมานมาคุมขังไว้ที่กรุงโกสัมพีแล้วตนเองนั้นก็รีบนำสร้อยแก้วตาเสือไปให้บิดาของวาสิทธิด์ดูและแจ้งเรื่องเทศว่า กาแมนิทนั้นได้ถูกองคุริมานฆ่าตายเสียแล้วปิดาของวาสิธีก็ได้แจ้งเรื่องร้ายนี้แก่บุตรีไม่จริงหรอกท่านพ่อลูกไม่เชื่อเช่นนั้นนี่คงเป็นอุบายของสาตาเคียนเป็นแน่แต่นี่มันสร้อยอันเป็นเครื่องรางประจำตัวของกามมนิทมีใจหรือรูกรัก ลูกเองก็ไม่เคยได้เห็นสร้อยแก้วตาเสือของกามนิตชัดเจนนักมีแต่สายตาเคียนนั่นแหละที่เคยแย่งดึงมาถือไว้ลูกเชื่อว่านี่คงเป็นการทําขึ้นมาเพื่อให้ลูกหมดสิ้นหวังในความรักของลูกเพราะไม่มีเหตุที่จะเชื่อได้ว่าเหตุใดจอมโจรองค์คุลีมานจะต้องเก็บเอาสร้อยที่ไร้ค่านี้มาห้อยคอไว้ด้วยอืม ที่ลูกของพ่อพูดก็ฟังดูมีเหตุผลเอาละเช่นนั้นพ่อก็ยินดีกับลูกด้วยที่นี่ไม่ใช่ข่าวร้ายข่าวร้ายยังไม่คลายไปสิน้นค่ำคืนหนึ่งขณะที่วาสิทถีอยู่เพียงลำพังที่ลานอาโศกกามนิ ป่านี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างเนาะท่านคงกำลังคิดถึงข้าและกำลังเดินทางมาหาข้าใช่ไหมกามนิ ต, ต้นอโศกจ๋ากามนิที่รักของข้าก็าสุขสบายดีใช่ไหมวาสิธีลูกอยู่ที่นี่เองนี่แนละลูกรัก พ่อเองก็ไม่อยากที่จะทำให้ลูกของพ่อต้องทุกข์ใจอีกครกนะแต่ว่าสาตะเคียนเขาพาองคุริมานมาพบลูกด้วยนี่ในวาสิทธิเจ้าจงฟังเรื่องทั้งหมดจากปากของไอ้โจนป่านี้เอาเองเถิดข้าจอมโจนองคุริมาน ข้าได้เคยดักป้นกองเปลียนของตามมนิตฐ์และจับตัวมันเอาไว้ได้แต่ภายหลังเมื่อบ่าวของมันนําเงินมาถ่ายตัวไม่ทันตามกําหนดข้าจึงสังหารมันเสียตามกฎอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเจ้าแม่กาลีข้าไม่มีวันเชื่อเจ้าหรอกก็ในเมื่อเจ้าก็บอกเองว่าเจ้านั้นเป็นจอมโจรเชไหนเลยคําพูดของเจ้าจะเชื่อได้เช่นนั้นข้าโอคุลิมาน ขอขอกระทําสัจจะกริยาปฏิญาณต่อหน้าท่านข้าแต่จะแม่กาลีผู้เป็นนายิกาของมหาโจรพระองค์ผู้ทรงนำข้าพเจ้าฝ่าอันตรายมาแล้วนับพันครั้งขอได้สดับคำของข้าพเจ้าอันว่าข้าพเจ้านี้มิได้เคยงดเว้นการพรีบูชาพระองค์มิได้ประพฤติตนผิดแผกไปจากกฎซึ่งพระองค์ทรงกําหนดไว้ดังนี้เป็นความจริงปานใด ที่ขบเจ้าได้จัดการแก่กามณิตตามกฎของเราที่ได้กำหนดไปคือถ้าข้าไทยไม่มาตามกำหนดเวลาก็ต้องจัดการกับนักโทษโดยพาแล้งตลอดลำตัวแล้วทิ้งไว้ในย่านคนเดินขอให้พระองค์ซึ่งเสด็จมาอยู่ใกล้ขพเจ้าขณะที่ได้รับความเดือดร้อนสาหัสอยู่นี้จงได้กระชากโซ่ตรวนที่ร้อยลัดขพเจ้าบรรดาให้ขพเจ้าหลุดจากเครื่องพนาันาการของศัตรู โดยประจักษ์ในความจริงด้วยเทินยยพอสิ้นเสียงการกระทําสัจจกกิริยาองค์กุลิมานก็สะบัด ต, ตัวกระชากโซ่ตัวนจนขาดแล้วกระโดดลงจากลานอโศกหนีไปว่าสิทธิ เมื่อเห็นสัจจกิกริยาสำเร็จผลดังนั้นก็ให้หมดความสงสัยและหมดหวังในความรักลงทันทีกามนิตยายท่านมาดวนจากข้าไปกามนิตยายท่านมาดวนจากข้า ว่าสิทถีรู้สึกหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งแต่ก่อนที่นางจะเป็นลมสิ้นสติลงนางเห็นภาพของกามมนิดล่องลอยอยู่บนท้องฟ้านางจึงหวังเพียงว่าจะได้พบกับคู่รับที่แดนสวรรค์นในชีวิตหน้า หลังจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นผ่านมาได้ไม่นานก็มีข่าวว่าองค์ุริมานถูกจับตัวได้และถูกทรมานตายลงในคุกศรีษะได้ถูกตัดเสียประจานไว้ที่ประตู ด, ด้านทิศตะวันออกข่าวนี้ได้แพร่ลือไปถึงกรุงอุเชนทีท่างพ่อท่างพ่อ จอมจอนองค์คุริมานถูกฆ่าตายแล้วท่านพ่ออะไรกันอะไรกันใครเป็นใครตายกันเจ้าถึงได้ยิ้มระรื่นเข้ามาหาพ่ออย่างนี้องค์คุรีมานท่านพ่อองคุริมานถูกพระเจ้าอุเทนกรุงโกสัมพีจับตัดหัวแล้วละ่ะท่านพ่อจริงหรือนีจริงขอรับท่านพ่อตอนนี้ข่าวสัพัดไปทั่วแล้วถ้าเช่นนั้นที่เจ้าดีใจรีบมาหาพ่อแต่เช้านี้ ก็คงเรื่องจะขอนํากองเกวียนไปกรุงโกสัมพีอีกระซีใช่ไหมกามันหิตใช่แล้วขอรับท่านพ่อลูกจะมาขอท่านพ่อนํากองเกวียนไปค้าขายที่กรุงโกสัมพีอีกครั้งเพราะว่าไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆแล้วคราวนี้ลูกขอเพิ่มจํานวนกองเกวียนและสินค้าให้มากกว่าเดิมจะได้มีกําไรมากๆเพื่อชดเชยคุ้มค่ากับสินค้าที่ต้องสูญเสียไปเมื่อครั้งก่อนเมื่อหมดพวกยอมโจนองค์คุริมานแล้ว พ่อก็ไม่มีอะไรจะขัดเจ้าหรอกการมันิีแต่นี่เมื่อวานนี้พ่อเห็นเจ้านอนป่วยอยู่มีใช่หรือลูกหายดีแล้วท่านพ่อเจ้านี่ดือ้อจริงๆไปพักผ่อนเสียก่อนเถิดลูกรักไว้แล้วเราค่อยมาหาหืเรื่องนี้กันอีกทีลูกหายดีแล้วขอรับเดี๋ยวลูกจะออกไปสอบถามข่าวแล้วก็จะไปตรวจดูสินค้าต่างๆในตลาดด้วยจงอย่าลืมว่าเจ้านั้นป่วยนะ กามณิ์อย่าลืมที่จะคอยดูแลพักผ่อนร่างกายล่ะขอรับท่านพ่อลูกไปละว่าสิลูกออกไปพบสาตาเคียนเขาสักหน่อยไม่ได้รือลูกขณะนี้สาตาเคียนเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนนะพ่อและแม่ ก็ลบากใจจริงๆลูกเอ้ยแต่ลูกไม่ได้เคยมีใจต่อเขาเลยสักนิดเดียวท่านพ่อพ่อรู้พ่อรู้ว่าเจ้านั้นรักใคร่กามนิศแต่เขาก็ตายจากเจ้าไปนานแล้วนะลูกรักกาม น, นิศจะไม่มีวันตายจากหัวใจของลูกไปได้หรอกท่านพ่อสัญญารักที่เราบีต่อกันแม้ความตายมาพรากเราก็จะไปพบกันที่บนสวรรค์แล้วพ่อกับแม่ละวะสิธี เจ้าไม่คิดถึงหัว อ, อกของพ่อและแม่บ้างเลยหรือลูกลูกรักและเคารพบูชาท่านพ่อท่านแม่เสมอความรักที่ลูกมีต่อท่านพ่อท่านแม่นั้นยิ่งใหญ่นักลูกไม่เคยนํามาปะปนกับความรักที่ลูกนั้นมีต่อกาบานิตฐ์เอาเถิดเอาเถิด อ, อย่างไรเสียพ่อก็ดีใจที่ลูกรักของพ่อไม่ได้คิดอะไรสั้นๆเช่นนั้น เจ้าคิดดีทำดีแล้วล่ะลูกเอ้ยเพราะหาใหม่แล้วพ่อและแม่ก็คงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้เช่นกันหากต้องสูญเสียลูกไปเอาละ่ะพ่อจะออกไปสู้หน้าซาตะเขียนเข้าเองพ่อจะปดเขาว่าลูกของพ่อนั้นป่วยก็แล้วกันนะแต่นี่หากท่านประธานมนตรีเขามาด้วยตัวเอง พ่อและแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเหมือนกันลูกกราบขอโทษที่ทําให้ท่านพ่อท่านแม่ต้องมากลัดกลุ้มทุกใจเพราะลูกโทลูกหนะ้อลูกนี่หากเจ้าเชื่อฟังที่พ่อพรําบอกตักเตือนเจ้าสักนิดเจ้าก็คงไม่ต้องมานอนป่วยหนักเช่นนี้ <c oughs> ลูกลูกเสียใจ <c oughs> แต่ลูกจะรีบหายและลูกจะรีบนำกองเควียนไปกรุงโกสัมพีอย่าพึ่งคิดเรื่องอื่นใดเลยมุ่งรักษาตัวเจ้าให้หายดีเสียก่อนเถิดพักผ่อนให้มากมาและเชื่อฟังที่หมอเขาสั่งให้เคร่งครัดนะลูกลูกต้องรีบไปท่านพ่อลูกต้องรีบไปดูเจ้าสิดื้อรั้นไม่เลิกลาเลยอ พ่อก็พอรู้อยู่บ้างเรื่องจุดประสงค์ที่เจ้าต้องการไปกุ้งโกสมัมปีพ่อก็เห็นใจเจ้าแต่เจ้าฟังคำพ่อยดีนะถ้าสาวน้อยคนนั้นเขารักเจ้าจริงอย่างไรเสียเขาก็ต้องรอเจ้าเจ้านอนพักผ่อนรักษาตัวจนหายเมื่อไหร่เจ้าก็จะได้ไปเมื่อนั้นใจเย็นๆเถิดลูกรักเชื่อพ่อเถอะพักผ่อนซะ วาสิทีเจ้ารอข้านะวาสิทีข้าจะรีบหายข้าจะรีบไปหาเจ้าจะไม่มีใครมาขวางกั้นความรักของเราอีกต่อไปแล้วเจ้ารอข้านะเจ้ารอข้านะเจ้ารอข้านะวาสิทิกามนิทต้องนอนล้มป่วยอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนตราบจนเมื่อลุกขึ้นได้แข็งแรงดีแล้วนั่นก็เป็นเวลาล่วงเข้าสู่หน้าฝน ซึ่งมีน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไม่มีใครที่จะเดินทางไกลไปไหนได้เขาจึงต้องอดใจเฝ้ารอรอวันที่จะไปหาวาสิถีคนรักที่กรุงโกสัมพีเมทินีเมทินีข้าได้ทำผิดต่ อ, อ ก, กามนิตแล้วเมทินีข้าทราบเรื่องจากท่านลุงแล้วล่ะวาสิถีเจ้าไม่ได้ทำผิดอันใดต่อกามนิตหรอก เจ้านั้นได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีต่อบิดามารดาแล้วล่ะวาสิทธีแต่ข้านั้นได้ทำผิดต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับกามานิศกาแมานิศเขามีบุญน้อยจึงได้ด่วนจากไปส่วนเจ้านั้นยังอยู่ต้องทนเห็นบิดามารดาทุกใจอยู่ทุกทุกวันเป็นข้าข้าก็ต้องตัดสินใจเช่นเจ้านั่นแหละวาสิทธี <c oughs> เมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านประธานมนตรีมาข้าก็เห็นท่านพ่อท่านแม่นั่งร้องไห้ข้าทนไม่ได้ข้าทนเห็นท่านทั้งสองต้องทุกข์ใจเพวกะข้าไม่ได้เจ้านั้นคิดดีทดําดียิ่งแล้ววาสิทธิป่านี้กามนิศคงเฝ้ามองข้าอยู่บนสวรรค์เขาคงเศร้าเสียใจเพราะข้า กามนิศเขาคงเข้าใจเจ้าเชื่อข้าเถิดวาสิถีกามนิดท่านจงอภัยต่อข้าด้วยไม่นานข้าจะตามไปพบท่านที่บนสวรรค์รอข้านะกามนิตท่านรอข้านะเมื่อรดูฝนเริ่มสิ้นจางลง กาแมนิตก็ได้จัดกองเกวียนออกเดินทางไปกรุงโกสัมพีทันทีแม้จะยังมีอุปสรรคในหนทางการเดินทางอยู่บ้างแต่เขาก็เร่งกองเกวียนจนมาถึงยังกรุงโกสัมพีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยฮ่าถึงแล้วกรุงโกสัมพีที่รักนี่ก็นานกว่า3ปีเลยช น, นะโกเลต ท, ที่เราจากที่นี่มาขอรับนายท่าน นานแล้วทีเดียวแต่เอ๊ดูเหมือนว่าจะมีงานฉลองกันนี่ขอรับผู้คนมากันมากมายเหลือเกินจริงด้วยสิคงไม่ได้จัดงานต้อนรับพวกเราหรอกนะเอ๊่นั่นดูเหมือนจะมีขบวนแห่ด้วยนะเห็นทีกองเกวียนของเราคงต้องหยุดรอก่อนเสียแล้วล่ะขอรับท่านกาแ ม, มานิทไม่เป็นไรรอ้องข้าไม่รีบร้อนแล้ว ตอนนี้ข้ารู้สึกเย็นใจสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะกรุงโกสัมพีที่แสนสวยงามท่านพี่ชายวันนี้มีงานฉลองอะไรกันหรือท่านถึงได้มีริ้วขบวนมีกองทหารมาและผู้คนมากมายเช่นนี้อ๋อมีเจ้าของพึ่งมากับขบวนกองเกวียนแล้สินะถึงได้ไม่รู้เรื่องงานฉลองงันใหญ่ตอนนี้ถูกแล้วล่ะท่านพี่ชาย ข้เพิ่งเดินทางมาถึงกรุงโกสัมพีมาครู่นี้เองนึกแล้วเชียวนี่หละงานวิวาลยิ่งใหญ่ของท่านสาตะเคียนผู้ติดปราบจอมโจนองค์ุลีมานยังไงหละ่ะและก่็ยังเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านประธานมนตีผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงโกสัมพีแห่งนี้ด้วยนะฮะ่านีสาตะเคียนเขา้าวิวาแล้วด้วนี่เช่นนั้นความรักของข้าก็ไรอุปสรรคซะแล้วสิะจะว่าอะไรนะ เจ้ารู้จักท่านสาตะเคียนด้วยหรืออ๋อเปลาเปล่าเป่ า, ปาข้าพูดว่าท่านสาตะเคียนได้ข้าองคุลีมานเสียแล้วด้วยนี่นะท่านข้าจะได้ไรอุปสรรคในการเดินทางเสียทีนั่นนั่นขบวนแห่งของเจ้าสาวกำลังมาแล้วกามนิตทั้งตื่นเต้นระคนดีใจที่รู้ว่าสาตาเคียนคู่แข่งของตนนั้น ได้ชิงวิวามีคู่ไปเสียแล้วสายตาของเขาจับจ้องมองที่ขบวนของเจ้าสาวซึ่งมีช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรมีมาลายทองประดับทับทิมคาดอยู่ที่งาช้างส่วนงวงประดับด้วยใบและดอกอโศกดูสวยงามแปลกตายิ่งนักผิดจากที่กรรมนิทเคยพบเห็นมานับเลงทางศิลปะเช่นเขา ยังอดชื่นชมในฝีมือไม่ได้ในกูบช้างซึ่งบุบด้วยผ้าตาดสีม่วงมีเจ้าสาวนั่งก้มหน้าแนบอยู่กับอกกายก็โอนเอ็นไปมาตามก้าวย่างของช้างและดูราวไร้ชีวิตจิตใจยิ่งนะักดูนั่นสิยายเจ้าสาวถึงดูเศร้าหมองนักนะนั่นนะสิ แลดูไม่เหมือนเจ้าสาวในขบวนวีวาเลยลองเป็นเช่นนี้น่ะข้าว่าเจ้าสาวคงถูกบังคับใจแน่ๆเลยช่างน่าสงสารจริงๆกิริยาท่าทางอันเศร้าหมองของเจ้าสาวนั้นเป็นที่สังเกตเฝ้ามองของผู้คนทั่วบริเวณนั้นจนเพื่อนเจ้าสาวที่นั่งแอบอยู่เคียงข้างต้องเลื่อนตัวขึ้นมาดูแลเจ้าสาวด้วยความห่วงใย นางเอามือแตะที่ไหล่ของเจ้าสาวแล้วพูดอะไรบางอย่างสองสามคำเอ๊ะนั่นนั่นนั่นเมทินีนี่นาเมทินีเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่จริงท่านใดนั้น เจ้าสาวก็ได้เงยหน้าขึ้นมาฮะวะวะสิทีโอ้ยเจ้าเจ้าอ้าวเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นลงไปเสียแล้วแล้วแล้วมาช่วยกันหน่อยกามานิตเมื่อประจักษ์ต่อสายตาว่าเจ้าสาวของสาตะเคียนนั้น แท้จริงแล้วก็คือวาสถีคนรักของเขานั่นเองคนรักที่เคยร่วมปฏิญญาสัญญารักต่อกันไว้เขาจึงไม่อาจทนสภาพรับต่อเหตุการณ์ที่บาดวัวใจเช่นนี้ได้จึงล้มทั้งยืนลงไปกองกับพื้นแห่งนั้นเจ้าหนมเจ้าหนมเป็นอย่างไรบ้างดูสิตาค้างเชียวนายท่านนายท่านกามนิศ นี่นี่นายของข้าเองปล่อยให้ข้าดูแลเขาเถอะกามมนิตมีอาการแน่นิ่งในตาเมื่อลอยไม่รับรู้ต่อเรื่องราวใดๆและไม่ตอบสนองต่อคำถามของผู้ใดทั้งสิน้นแต่แต่ลำพึงอยู่ภายในใจเพียงคนเดียวปล่อยให้พวกบาวพากันอุ้มร่างของเขาออกไปจากบริเวณนั้น ทำไมวาสิถีทำไมเจ้าถึงทำกับข้าได้คำสัญญาที่เราให้ไว้ต่อกันมันไม่มีความหมายใดๆต่อเจ้าเลยอย่างนั้นรึวาสิถีวาสิถีเร็วพวกเราช่วยกันพานายท่านไปพักที่ตรงนั้นก่อนเร็วเข้าพวกบ่าวได้พากามมณิตมานอนพักอย่างบริเวณใกล้ๆนั้น เวลาผ่านไปจนใกล้ค่ำพวกเบาวจึงปรึกษากันว่าจะไปแจ้งข่าวของกรรมนิทให้แกโสมทัศน์พวกเจ้าคอยเฝ้าดูแลนายท่านอยู่ที่นี่นะข้าจะไปแจ้งข่าวแก่ท่านโสมทัศตก่อนโกลิตเจ้าไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นไม่ต้องไปแจ้งข่าวเรื่องของข้าให้แก่ใครผู้ใดทั้งสิ้นฟังข้านะ พรุ่งนี้เช้าจะจงไปติดต่อค้าขายสินค้าของเราให้หมดโดยเร็วแม้มันจะไม่ได้ราคานักก็าตามแล้วก็รีบซื้อหาสินค้าต่างๆ ต, ตามรายการเท่าที่พอจะซื้อหาได้ข้านั้นไม่มีเรี่ยวแรงที่จะกระทําการใดๆ ไ, ได้เองแล้วขอฝากการนี้แก่เจ้าด้วยและอย่าได้แพร่งพลายเรื่องที่ข้ามากรุงโกสัมพีให้แก่ผู้ใดอย่างเด็ดขาด ขอรับนายท่านนายท่านไม่ต้องเป็นห่วงกังวลข้าจะจัดการตามที่นายท่านสั่งมาให้บกพร่องขอรับวาสิธีจากไปหน้าที่เศร้าหมองของเจ้าข้าพอจะรู้แล้วละ ว, ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นกับเจ้าอายสาตะเคียนคนเจ้าเล่มันคงให้ท่านประธานมนตรีบิดาของมันมาบีบังคับบิดามารดาของเจ้าใช่ไหมวาสิธี เจ้าคงทุกขระทมแสนสาหัสที่ต้องฝืนใจวิวากับคนถอยเช่นไอสาตาเคียนข้ามิโกรธเคืองเจ้าแล้ววาสิทธิแม้ว่าชาตินี้ข้าจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ครองคู่กับเจ้าขอให้เจ้าจงพบแต่ความสุขเถิดหลังวันนั้นผ่านไปเพียงสองสามวันกามมิตดพร้อมขบวนกองเกวียนก็รีบเดินทางออกจากกรุงโกสัมพีแต่เช้า เมื่อพ้นกำแพงเมืองออกมาทางด้านทิศตะวันออกเขาก็ได้เห็นศรีรษะของวัชสะศพถูกเสียประจานอยู่บนเชิงเทินของกำแพงพร้อมๆกับศรีรษะของคนอีกนับสิบโอ้ท่านวัชสะศพกามนิตเจ้านั้นเกิดในเรื่องดาวโจรสักวันเจ้าอาจจะต้องกลายเป็นโจร ข้าก็อยากเป็นโจรท่านวาจะศบข้าอยากเป็นโจรไปป้นค่าไอ้สาตะเคียนให้มันตายแด่ดินด้วยมือของข้าเมื่อออกเดินทางต่อมากามนิตก็ได้พบหลุมฝังศพของวาดเศบซึ่งมีผู้คนผ่านทางมากราบเคารพเส้นไหว้ด้วยความศรัทธาราวเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกามนิตก็ได้แวะเคารพกราบไหว้เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ขอพรอำนวยโชคชัยเช่นคน oriented, อื่นๆทั่วไปหากแต่เขาขอต่อว่าชะศพให้เขาได้เป็นโจรเมื่อเดินทางกลับมาถึงกรุงอุเชนีกามนิตก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเขาออกเที่ยวเตร่สัมมะเลเทเมาและคบหาโศเพนีทุกระดับชั้น จนเป็นที่เอือมระอาของบิดามารดาและผู้คนที่เคยเฝ้าเอนดูเขากระทั่งวันหนึ่งกามานิตก็มีสติคิดได้จึงเริ่มออกเดินทางไปค้าขายอีกครั้งโดยคราวนี้เขามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งที่สุดของกรุงอุเชนีให้ได้สร้างความปราบเริ่มใจใ ห, ให้แก่บิดามารดาของเขายิ่งนัก ก็มณนิดลูกกรักของพ่อเจ้านี่ช่างปราดเปลืองนักคาดคะเน้เรื่องใดเป็นไม่มีผิดพลาดสักเรื่องเดียวนี่นะลูกเจ้านั้นทากาไรได้มากมาใหบเกือบๆจะเท่ากับที่พ่อทำ ม, มาตลอดชีวิตเลยเชียวนะก็เป็นเพราะที่พ่อถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกนั่นแหละขอรับและอีกอย่างลูกก็ไม่อายที่จะเผยว่า ลูกนั้นได้อาศัยข้อมูลจากพวกนางคณิกาที่ลูกเคยคบหาช่วยให้ลูกได้รู้ช่องทางและผู้คนที่เป็นประโยชน์ต่อการค้ามากเลยทีเดียวนั่นก็เพราะลูกรู้จักเลือกน้ำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้แม้แต่จากคนที่ไม่น่าจะเป็นประโยชน์เจ้านั้นฉลาดนักลูกเอ้ยเออพูดถึงผู้หญิง พ่อก็มีเรื่องที่อยากจะขอร้องลูกเรื่องใดหรือขอรับท่านพ่อลูกรักเจ้าเองนั้นก็ได้เที่ยวหาความสุขในความเป็นหนุ่มมาเพียงพ่อแล้วทราบสมบัติรึ ก, ก็สั่งสมไว้ได้มากพ่อแก่การเป็นปึกแผ่นของตระกูลเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เจ้าจะมีผู้สืบตระกูลของเราต่อไปลูกรักพ่อและแม่ก็แก่ชรามากแล้วหลอก็แต่ที่จะได้เห็นเจ้ามีครอบครัวเป็นฟังเป็นฝาพ่อและแม่ก็ขคงจะหมดกังวลแล้วก็สุขใจดูไม่มีความขัดข้องอันใดเราขอรับลูกนั้นทำให้ท่านพ่อและท่านแม่ต้องทุกข์ใจมามาก หากท่านพ่อและท่านแม่เห็นว่าสิ่งใดสมควรลูกก็พร้อมจะปฏิบัติตามทุกอย่างโอ้นี่นะับว่าเป็นข่าวดียิ่งนักลูกรักพ่อและแม่ได้ติดตอทาบถามสาวงามมีตระกูลคนหนึ่งไว้ให้เป็นภรรยาเจ้าแล้วถ้าเช่นนั้นพ่อจะรีบไปบอกข่าวดีนี้ให้แกแม่ของเจ้าก่อนละนะ กามณิตได้ตกลงเข้าพิธีวิวากับสตรีที่บิดามันดาเลือกหาให้ด้วยความที่กามณิตนั้นไม่ได้มีใจรักใครในภรยาอยู่เลยเขาจึงหาหนทางออกเดินทางไปค้าขายตามเมืองต่างๆอยู่แทบตลอดเวลาไม่นานนักความมั่งคั่งก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นพร้อมๆกับที่ภรยาของเขา ก็ให้กำเนิดทิดาสองคนกามนิจึงได้ซื้อที่ดินแปลงใหญ่ที่นอกกรุงปลูกครืหาดหลังงามใหญ่โตแวดล้อมด้วยอุทยานรุกขชาติอันร่มเรื่นสวยงามตาซึ่งแม้แต่พระราชาและราชวงศ์ก็ยังเสด็จมาประพาสต่อมาบิดาของกามนิจก็ได้จัดแจงหาภรยาใหม่ มาให้เขาอีกคนหนึ่งเพื่อต้องการให้การรมนิตได้มีบุตรชายไว้สืบตระกูลแต่เมื่อหลังจากที่การรมนิตได้บุตรชายเขาก็หาความสงบสุขไม่ได้อีกเลยด้วยเพราะภรรยาทั้งสองนั้นทะเลาะเบาแหวงกันทุกวันข้างฝ่ายวาสิถีเองนั้นก็หาได้มีความสุขในชีวิตไม่หลังจากวิวาได้หนึ่งปี นางก็ให้กําเนิดทิดาแต่หลังจากที่ลูกน้อยอายุได้เพียงสองปีก็ต้องมาป่วยและตายลงสาตาเคียนจึงได้แต่งภรรยาใหม่อีกคนและคราวนี้เขาได้บุตรชายสมใจจึงรักใคร่ในภรรยาใหม่นี้ยิ่งนักต่อมาท่านประธานมนตรีได้ถึงแก่กรรมสาตาเคียนจึงได้สืบทอดตําแหน่งแทนบิดา และมีภารกิจมากยิ่งขึ้นจนแทบไม่มีเวลาให้กับวาสิทธิอีกเลยซึ่งวาสิทธิเองก็ไม่ได้เคยทุกข์ร้อนต่อเรื่องนี้นางพึงใจที่จะอยู่เพียงลำพังผู้เดียวเพื่อได้หวนคนึงถึงกามนิชชีวิตของวาสิทธิ์รัฐมจมปลักอยู่กับความหลังยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีกระทั่งค่ำคืนหนึ่ง ที่ลานนอกปร า, าสาทของสาตาเคียนกามนิที่รักท่านยังคงเฝ้ามองข้าอยู่บนแดนสวรรค์ใช่ไหมท่านคงได้เห็นชีวิตที่ผิดต่อคำสัญญาเช่นข้าแล้วว่าเป็นเช่นไรไม่นานหรอกกามนิทอีกไม่นานข้าจะไปพบท่าน กาแมนิทขอแม่นางเขาไม่ได้อยู่บนแดนสวรรค์นั่นหรอกองค์ุรีมานนี่เจ้าเจ้ า, ย, า, า, ย, แแายังไม่ตายถูกแล้วแม่นางข้ายังไม่ตายและกาแมนิทก็ยังไม่ตายข้าเป็นคนปล่อยเขากับกรุงอุเชนีไปเองนี่นี่เจ้าจะมาลุกไหมเรื่องใดกับข้าอีกแล้วที่เจ้าพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่ข้าไม่เข้าใจบ่าของกาแมนิทไ์้นนําเงินมาถ่ายตัวเขา เด็ทันตามกำหนดเวลาขาดจึงทําตามกฎโดยให้สมุนของข้าสี่คนเดินทางไปส่งเขาจนถึงกรุงอุทเชนีเขายังไม่ตายแน่นอนแม่นางแต่ที่ข้าแซงทำสัตจักรยาตอนหน้าเจ้าในวันนั้นก็เพราะอุบายชั่วของไอ้สาตะเคียนเพื่อหลอให้เจ้าหมดหวังในความรักที่มีต่อกามนิตไม่ไม่จริงถ้าเช่นนั้นทาไมเจ้าถึงดึงโซ่ตรวนขาดได้เล่า โซ่ตัวเส้นนั้นได้ถูกพวกของสาตะเคียนเลื่อยไว้จนเกือบขาดอยู่แล้วไอ้คนถอยเจ้าเล่สาตะเคียนมันสัญญากับข้าว่าจะปล่อยข้าไปแต่มันกลับให้ทหารมาดักซุ่มสังหารข้าที่เชิงผาเคาะอย่างดีที่ข้าใช้โซ่ตัวเส้นนั้นสู้ฝ่าเอาชีวิตหนีรอดพวกมันมาได้มันจึงได้ประกาศว่าข้านั้นถูกจับและตายในคุกอย่างไรเล่า พราะมันไม่เคยคิดที่จะปล่อยข้าตามสัญญาเลยโอ้ค้ามนิดนี่เป็นเรื่องจริงหรือนี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ตายท้อข้านั่นเองที่เป็นหญิงชั่วทำผิดอย่างใหญ่หลวงต่อคนรักของข้าท้อแม่นางไม่ผิดหรอกคนที่ผิดและชั่วก็คือไอ้าสาจะเขียนต่างหา ข้าขอสัญญากับแม่นางว่าข้าจะไปพาตัวกามนิทมาพบแม่นางให้ได้เพื่อเป็นการไถ่ต่อความผิดที่ข้ากระทำไว้แต่ก่อนไปข้ามีเรื่องจะขอร้องแม่นางสักเรื่องหนึ่งเจ้ามีเรื่องใดจะให้ข้าช่วยเจ้าข้าได้สืบความมาว่าไอ้สาตะเคียนมันจะออกไปทำภารกิจที่นอกเมืองในอีกสองวันข้างหน้านี้ข้ายาขอให้เจ้าช่วยสืบว่ามันจะไปในที่ใด และจะไปในเส้นทางใดข้าจะได้วางกําลังดักสังหารมันนี่นี่เจ้าจะให้ข้าร่วมมือกับเจ้าสังหารสามีของข้าอย่างนั้นหรือองคุริมานนี่เจ้าคิดจะให้ข้าทําชั่วเช่นเจ้าอย่างนั้นหรือข้านั้นชั่วช้าและเคยทําผิดต่อเจ้า แต่อ้ายสาตะเคียนนั้นมันชั่วช้าวกว่าข้ามากนักมันทั้งข่าและทรมานเจ้ากับกาแมนิศให้ต้องมีชีวิตเหมือนกับตายทั้งเป็นแม่นางฟังข้าให้ดีจงช่วยข้าเสริฟให้ได้แน่ชัดว่าอ้ายสาตะเคียนมันจะไปในเส้นทางใดเวลาใดและจะนํากําลังไปเท่าไหร่ค่ำคืนมารุ่งนี้ ข้าจะมาฟังข่าวจากเจ้าจองอย่าลืมว่าการที่ข้าจะกระทําในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนข้าช่วยให้เจ้าและกามนิษ์ได้มีชีวิตกลับคืนมาดังเดิมเจ้าจงตรองดูองค์คุริมานจากไปแล้วจากไปหลังจากที่ได้มอบความจริงและทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ให้แก่วาสิทธิถีนางทั้งตื่นเต้นดีใจ และทั้งให้คิดเคียดแค้นต่อสาตาเคียนจนสับสนวุ่นวายใจยิ่งนักโอ้กามนิทท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ได้ตายจากข่าไปสาตาเคียนเจ้านี่ช่างชั่วช้านะักเจ้าได้ทําลายทั้งชีวิตของข้าและกามนิทหากไม่มีเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วข้าและกามนิท คงได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่นั่นก็เท่ากับว่าข้านั้นเป็นหญิงชั่วสมคบกับโจรค่าสามีของตัวเองโอ้นี่ข้าจะทำอย่างไรดีข้าทำไม่ได้ข้าทำไม่ได้ไไดจริงสินะถึงอย่างไร ข้าก็ไม่มีวันที่จะรู้เรื่องราชการของสาตาเคียนอยู่แล้วสาตาเคียนไม่เคยแพร่งพรายเรื่องราชการให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นข้าไม่ต้องทำผิดแล้วข้าช่วยอะไรองคุริมานไม่ได้อยู่แล้วเออวาสิถีนี่นะเจ้าข้ามีเรื่องจะรบกวนปรึกษาอะไรเจ้าสักหน่อย อ๋อท่านนี่เองสาตาเคียนวันนี้มีเรื่องใดท่านจึงมาหาข้าได้ข้านั้นก็ยุ่งเรื่องราชการทุกวันเจ้าก็รู้และก็เรื่องราชการนี่แหละที่ข้าอยากจะปรึกษาเจ้าคือว่าวันรุ่งนี้ข้าจะต้องออกไปชำระคดีพิพาทที่แถบชุมชนร่อนทองที่เจ้าและครอบครัวคุ้นเคยดีแต่ว่าข้านั้นยังไม่เคยไปแถบถิ่นนั้นมาก่อนเลย จึงอยากจะขอคำแนะนำจากเจ้าว่าข้านั้นควรจะไปเส้นทางใดดีจึงจะสะดวกและรวดเร็วทางที่จะไปยังแถบชุมชนร่อนทองนั้นเพียงแค่ตัดข้ามเขาทางทิศใต้ไปก็ถึงแล้วแต่หากใช้เส้นทางเกวียนด้านทิศใต้จะเลี้ยวอ้อมเขาออกไปมากแล้วจะต้องลัดเลาะเข้าแนวลาธารอีกทีหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางทั้งวันกว่าจะถึงที่นั่น อืมเช่นนั้นยามที่ครอบครัวของเจ้าไปที่นั่นก็คงเดินตัดข้ามเขาไปละสินะถูกแล้วซึ่งช่องทางที่จะตัดข้ามเขาไปนั้นไม่สู้สูงชันนักหากออกเดินทางแต่เช้าตรู่ชั่วไม่เกินเที่ยงวันก็ถึงอืมเช่นนั้นข้าจะนําทหารไปเพียงสิบคนก็พอ จะได้ข้ามเขากันได้คล่องตัวชำระความเสร็จแล้วจะได้รีบเดินทางกลับมาถึงบ้านก่อนค่ำเดิมทีข้าตั้งใจว่าจะนำกองทหารมาไปตามเส้นทางเกวียนอยู่แล้วเชียวขอบใจเจ้ามากนะวาสิทธีเดี๋ยวข้าต้องรีบไปประชุมก่อนละนะนี่สินะที่เรียกว่าชะตา จ, จู่จู ก็มีเหตุให้สาตาเคียนมาบอกเรื่องต่างๆแก่เราเราวกับมาบอกชะตาของตนเองนี่คงเป็นชะตาของเขาที่สวรรค์ได้กำหนดไว้แล้วไม่สิสาตาเคียนเขาได้กำหนดชะตาของเขาเองไว้แล้วในวันรุ่งนี้การสมัยนั้น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพิสุธิเสด็จโปรดเวนัยสัตว์ไปตามชนบทประเทศต่างๆกระทั่งถึงกรุงโกสัมพีและได้ประทับอยู่ณเทวัลพระกิศนะร้างนอกกรุงพระองค์ได้ทรงเล็งพระญาณถึงพฤติการของมหาโจรองคุริมาน เช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ได้เสด็จเข้าไปในป่าแดนครอบครองของกลุ่มโจรนั้นแต่ลำพังพระองค์เดียวองค์คุริมานซึ่งเฝ้ามองอยู่เห็นว่ามีผู้อาถรรพ์รุกรําเข้ามาจึงใช้ธนูยิงแต่ยิงเท่าไรก็ไม่โดนเห็นผิดวิสัยฝีมืออันฉมังของตนนักแต่ก็ยังไม่ลดละ หญิงจนกระทั่งลูกธนูหมดขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นหน้าไปไกลองคุริมานวิ่งไล่าตามหมายจับประทุบจลายด้วยหอกแต่เร่งเท่าไรก็ไม่ถึงสักที ท, ทั้งทั้งที่พระพุทธองค์ก็เสด็จดำเนินตามปกติองคุริมานจึงหยุดและตะโกนออกไปหยุดนะสมณะหยุด องคุริมานเราหยุดแล้วแต่เจ้านั่นแหละยังไม่หยุดท่านได้ชื่อว่าสมณะย่อมละแล้วซึ่งมุสาวาก็ท่านยังเดินอยู่ทำไมจึงบอกว่าหยุดเล่าส่วนเรายืนเฉยอ ย, อยู่นี่ท่านกลับว่าเราไม่หยุดท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่ากะไรเรานั้นไม่ได้ก่อกรรมต่อผู้ใดแล้วจึงหยุดไม่ต้องเวียน่หยในสังสารวัฏ ต, ต่อไปอีก แต่เจ้านั้นเป็นผู้มุ่งร้ายต่อสัพสัตทุกขณะจิตจึงต้องเวียน่หยรับผลกรรมต่อไปไม่ได้หยุดย่อนเรายังไม่เข้าใจที่ท่านพูดท่านสมณนะโปรชี้แจงให้แจมแจ้งด้วยเชิญดูเราวางหอกลงแล้วเราปฏิ ญ, ญาณสาบานว่าจะให้สันติสุขแก่ท่านองคุลิมาลเจ้าจะให้สันติสุขแก่เราไม่ได้ถ้าพูดว่า เราจะให้สันติสู่แก่เจ้าจึงจะเป็นการถูกต้องครั้งนี้เจ้าสาบา a เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเจ้าปฏิญาณหลอกลวงสตรีด้วยสัจจะกิริยาฮ่ชาชในนะักบวชผู้นี้จึงล่วงรู้เรื่องที่เป็นความลับของข้าได้ถ้าทานจะมีวิชาคมเก่งกล้านักแต่เอ๊ นักบวชผู้นี้ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะมุ่งร้ายต่อข้าเลยนี่นาะจำเราจะน้อมกายขอฝึกวิชาไว้ใช้ประโยชน์บ้างองคุลิมานได้ยอมสุดกายลงนั่งฟังแต่โดยดีพระพุทธเจ้าจึงได้เริ่มตรัสเทศสอนเรื่องผลบุญผลกรรมเรื่องการต้องไปเกิดในนรกบนสวรรค์แล้วแต่กรรมที่แต่ละคนก่อไว้หาใช่เพราะอำนาจที่มาจากสวรรค์ไม่ ดังนั้นเจ้าจุงยาได้เบียดเบียนชีวิตของผู้ใดต่อไปอีกเลยองคุลิมาลคำสอนนี้ช่างแตกต่างกับสิ่งที่ท่านว่าจศพสอนข้ายิ่งนักเอและระหว่างท่านว่าจศพกับนักบวชผู้นี้ใครถูกใครผิดกันแน่นะองคุลิมาลเจ้าไม่ได้ตั้งใจฟังคำที่เราพูดหากแต่กำลังนึกถึงว่าจศพ และลัทธิเห็นผิดของเขาฮะนี่นี่นี่ท่านรู้จักท่านว่าจะศพสหายของข้าด้วยหรือนี่มีผู้ชี้ให้ดูหลุมศพที่นอกประตูเมืองและมีคนเดินทางที่โง่เขลาไปเส้นไหว้นับถือว่าเขาเป็นผู้สำเร็จอรหรันเช่นท่านว่าจะศพนั้นไม่ใช่อรหันหรอกหรือถ้าเจ้าคิดว่าเป็นอรหรัน เราก็ควรจะไปเยี่ยมกลายดูว่าในเวลานี้ว่าจะศพเขาเสวยผลความเป็นอารหันอย่างไรบ้างไปเยี่ยมท่านว่าจะศพเราจะไปได้อย่างไรกันเจ้ายืนมือมาเราจะเข้าฌานให้ภาพปรากฏแก่ดวงจิแล้วสิ่งที่เราเห็นเจ้าก็จะได้เห็นด้วย กุลิมานยื่นมือออกไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าชานครั้นแล้วองค์กุลิมานก็รู้สึกเหมือนว่าถูกดึงลงไปในห่วงเหวลึกมาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคล้ายถ้ำมหือมามืดมิดมีแสงวูบว่บและเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นพอสายตาเริ่มชินก็เห็นว่ามีหอกมากมาย ร่องลอยตีกันอยู่กลางอากาศมีเสียงหวีดร้องแสดงความเจ็บปวดทันใดนั้นเองได้มีร่างสามร่างโผล่ออกมาจากคูหามมืดทางด้านขวาและร่างที่อยู่ตรงกลางนั้นก็คือวาดทศบซึ่งกายเปลือยเปล่าร่างสันด ร, ริกผู้คุมสองตนที่ขนาบข้างนั้นมีกายเป็นคนแต่หัวและเท้าเป็นสัตว์ ที่มือของทั้งสองถือหอกยาวและดูน่ากลัวยิ่งนะักข้าแต่รฤยเจ้าที่นี่คือนรกหอบซึ่งผู้ทำบาปนับต้องตกลงมาที่นี่และได้รับความทรมานในการถูกหอบทิ่มแทงเป็นเวลาหมื่นปีเมื่อเสวยคำครบกำหนดแล้วเกิดจะไปเกิดใหม่ในภพอื่นตามควรแก่เศษผลของกรรมพอพูดขาดคำ ผู้คุมทั้งสองก็ซัดหอกเข้าร่างวาจะศพแล้วบรรดาหอกที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวก็พุ่งเข้าเสียบทั่วร่างเป็นชุลมุนฝงนกปากเหล็กที่บินว่อนอยู่ก็ร่อนลงมาจิกวาจะศพร้องโหยหัวหน้าสยดสยองและหน้าเวทนายิ่งนักองคุลิมานเห็นแล้วทั้งกลัวทั้งสงสารวาจะศพจนถึงกับหมดสติไป เมื่อฟื้นขึ้นมาองคุริมานก็พบว่าตนนั้นปุ๊บอยู่ข้างๆสมณะในป่าตามเดิมก็ให้วิตกถึงวิบากที่จะเกิดขึ้นเพราะสํานึกว่าตนทําบาปไว้มากกว่าว่าจะศบหลายเท่านักเดิมพญายมราชตนหนึ่งเห็นความทุกข์ทรมานอันไม่จบสิ้นของสัตว์ในนรกเกิดความสลดใจขึ้น จึงได้ตั้งปณิธานขอไปเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดเพื่อที่จะได้รับพระธรรมอันนำไปสู่ความหลุดพ้นและพญายมราตนนั้นก็คือเจ้านั่นแหลองคคุลิมานโอ้โปคงท่านคือพระพุทธเจ้านั่นเองขอ่วพระองค์ขอกาบแทบเบื้องพระบาท ได้โปรประทานาภัยให้แกสัตว์ที่โง่เขายิยงข้าด้วเทินเป็นบุญคอนค่ายิ่งนักที่พระองค์เสด็จมาโปรดสัตว์ยิงข้าโอ้ท่านประาศาสดาข้านี้ขอถวายตนเป็นสาวกของท่านพอตกเวลาค่ำองคุริมานก็มาที่ลานปราสาทของสาตาเคียนตามนัดหมายกับวาสิถีข้าได้เลิกล้มความคิดที่จะกาจัดสาตาเคียนแล้วหลับ เพาตอนนี้ข้านั้นได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใครกันและนี่เกิดเหตุอะไรขึ้นการถึงได้แปรผันไปเช่นนี้ได้พระพุทธเจ้าผู้ทรงเสด็จลงมาโปรดเวนยสัตว์ที่ยังคงลุ่มหลงเช่นเจ้าและข้า ข้านั้นหรือที่ลุ่มหลงข้าไม่เข้าใจองค์คุริมานได้เล่าเรื่องที่ตนนั้นพบกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งยอมจำนนต่อพระพุทธองค์ให้แก่วัตถีฟังโดยละเอียดทำให้วาสิทธีรู้สึกแปลกใจยิ่งนักมหาบุรุษท่านใดนะที่สามารถบำราบมหาโจร ให้กลายเป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาอ่อนน้อมได้รวดเร็วเช่นนี้มหาบุรุษนั้นจะสามารถบำรับสิ่งดุร้ายที่สุดแห่งธรรมชาติคือความรักที่ร้อนรุ่งซึ่งก่อควรจิตใจของข้าได้ไม่หนอหากเจ้ายังไม่เข้าใจก็ควรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตนเองที่เทวาลเก่าในป่าปู่ลายเวลายามเย็นพระองค์ก็จะตรัสพระธรรมเทศนา แกพิสุและประชาชนข้าจะไปข้าต้องการรู้ข้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเย็นวันรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นวาสิธีก็ชวนเมธิ น, นีและโสมทัตคู่ภรยาสามีไปตลาดหาซื้อของอันควรแก่สมณะบริโภคพอตกเย็นก็พากันไปยังป่าประดูลาย ที่ครั้งหนึ่งนางและกามนิธให้คำมั่นต่อกันว่าจะซื่อสัสตว์ต่อกันตลอดไปณที่นั้นมีภิกษุภิกษุณีและคฤหัสจำนวนมากยืนอยู่เป็นหมู่ใกล้เทวไารารางวาสิทธิเห็นภิกษุรูปร่างใหญ่โตองค์หนึ่งจำได้ว่าคือองค์คุริมาน และเห็นพิสุสูงอายุองค์หนึ่งออกมาจากป่ามีสรีระสง่างามอย่างชาติเชื้อกษัตรวาสิทธินึกทันทีว่าองค์นี้กระมังหนอคือพระมุนีซึ่งเขาขนานพระนามว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงกรบาใบไม้ไว้ในพระหัตต แล้วตรัสถามบรรดาสาวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายใบไม้ในมือนี้เทียบกับใบไม้ในป่าส่วนไหนมีจํานวนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ใบไม้ในพระหัตถ์มีน้อยใบไม้ในป่ามีจํานวนมากกว่าพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายธรรมะส่วนที่ตถาคตเห็นแจ้งแต่ยังไม่ได้แสดง มีมากกว่าส่วนที่ตถาคตแสดงแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายเหตุที่ตถาคตไม่แสดงสิ้นทุกประการนั้นก็เพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้ง และไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเล่าที่เราแสดงแก่ท่านเราได้แสดงแก่ท่านว่าทุกข์คืออะไรหมู่เหตุแห่งทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรและทางถึงความดับทุกข์คืออะไรสิ่งใดเราแสดงแล้ว ก็เช่นใบไม้ในกำ ม, มือสิ่งใดอันเรายัางงมิได้แสดงก็เช่นใบไม้ในป่าพระพุทธเจ้าตรัดพรางแบรพระหัตออกให้ใบไม้ร่วงมีอยู่ใบหนึ่งปลิวมาใกล้วาสิถีนางรีบออกไปรับไว้ก่อนจะตกถึงดินเป็นนายว่าได้รับโดยตรงจากพระหัตของพระพุทธองค์แล้วนำประคองไว้แนบสวง อาการกิริยาของวาสิทธีนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรมองดูอยู่เมื่อวาสิทธิแต่รับประธานอนุญาตให้นำเครื่องสการะเข้าไปถวายพระองค์ก็ตรัสแก่วาสิทธิดูก่อนนางผู้เจริญสิ่งของที่นำมาบูชานี้อุดมยิ่งนัก ส่วนภิกษุสาวกของเราเป็นผู้มักน้อยเป็นทายาทแห่งสัจธรรมหาใช่ทายาทแห่งความขัดสนไม่แต่ว่าพระพุทธเจ้าในปางก่อนทรงอนุญาตรับเครื่องสการาบูชาจากผู้เลื่อมใสเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้บำเพ็ญทานนมามัยกุศลเพราะถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งซึ่งผลธาน อย่างที่เราแจ้งอยู่ไซแม้มีข้าวเหลืออยู่ฝ่ายมือเดียวก็ยอมแบ่งปันแก่ผู้ที่อัตคัดกว่าหาได้บริโภคทั้งหมดแต่คนเดียวไม่เมื่อรู้แจ้งแหละประพฤติอย่างนี้เป็นอาจินความตรณีที่รัดรึงจิตก็จะคลายหายไปเพราะฉะนั้นเครื่องสการะที่นำมาบูชานี้คณะสง ย่อมรับไว้ด้วยดีเราเรียกว่าเป็นการบูชาอันบริสุทธิ์เพราะผู้บริจาคมีศรัทธาบริสุทธิ์และผู้รับก็มีศีลบริสุทธิ์รองรับถูกส่วนกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกให้พระองคุรีมานเข้ามารับและนำเครื่องสการะไปเก็บไว้ และให้ช่วยกันจัดที่นั่งแก่สาธุชนผู้มาฟังธรรมเมื่อพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มแสดงธรรมแต่การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวิรกรรมของพระกฤิณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤิณะเป็นแบบอย่าง เมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์สเสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยาก สิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงชี้ภาพสลักศิลารูปพระกิษณนะหยียบอยู่บนศีรษะช้างที่ล้มทรงเล่าว่าครั้งหนึ่งพระกิตณนะถูกพยากงเจ้ากรุงมัทุรา ออกอุบายให้ไปแข่งขันฝีมือชิงรางวัลและปล่อยช้างศึกตัวที่ดุร้ายที่สุดมาสังหารพระกิจณะแต่พระกิจณะประหารช้างนั้นและหักงาออกข้างหนึ่งพญากงเห็นดังนั้นก็ตกใจเป็นอันมากพระองค์ก็เคยถูกศัตรูออกอุบายปองร้ายด้วยช้างที่บ้าคลั่งครั้งนั้นเมื่อทอดพระเนตรเห็นช้างที่หน้าเวทนานั้น ทรงรำพึงว่าถ้าเราจากบรรดาลแสงสว่างสักน้อยฉายเข้าไปทำลายความมืดมนในช้างนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดความสว่างทวีขึ้นโดยลำดับจนมีโอกาสได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และได้สดับพระธรรมก็จะช่วยให้มันพ้นทุกข์ได้พระองค์ทรงทาให้ช้างมีอาการสงบด้วยพระเมตตาธรรม ศัตรูของพระองค์แปลกใจเป็นอันมากพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องพระกิสณะผู้ได้นางพรหมจาริณีจำนวน 16,100 หนึ่งรคนเป็นชายาในคราวเดียวกันอาศัยที่พระกิสณะแบ่งภาคไปสมสู่อยู่ด้วยทั่วกันทำให้แต่ละนางต่างเข้าใจว่าพระกิสณะอยู่ด้วยเฉพาะตนผู้เดียวเท่านั้น และด้วยประการเช่นเดียวกันเมื่อเราแสดงสัจธรรมต่อหน้าบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนต่างฟังและเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้แก่ตนผู้เดียวบรรพบรุษเรานับถือว่าพระกฤษณะทรงรักษาสกนโลกด้วยความกรุณาในสรรพสัต์ ยิงแบ่งภาคอาวตารมาทรมานพระกายในโลกฉันใดก็ดีฝ่ายตถาคตก็ทรมานร่างกายเพื่อสแสวงหาวิโมกสธรรมจนบรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในชั้นแรกตถาคตคิดจะไม่ประกาศพระธรรมอันลึกล้ำนี้ด้วยเราสัพสัตหัวเมาจมอยู่ในโลกียสุข ยากที่จะมองเห็นหลักธรรมอันทวนกระแสกิเลส ข, ของเขาแต่แล้วเห็นว่ามวลมนุษย์ประกอบด้วยผู้มีสติปัญญาแตกต่างกันดังดอกบัวต่างระดับในน้ำมนุษย์ผู้มีปัญญาเพียงพอที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้ เราจึงประกาศศาสนธรรมแกววนัยสัตว์พระพุทธองค์ทรงพละนาวีรกรรมของพระกิจนะคือกำจัดสัตว์บาปเพื่อให้โลกพ้นภัยอาทิงูน้ำชื่อกาลิยะอริสตาศูนย์ผู้แปลงเป็นโคและเทนุกาศูนย์ซึ่งแปลงเป็นลาทั้งยังกำจัดเท้าพยาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม มีพยากงและพยาปนทกเป็นต้นในส่วนพระบรมศาสดาทรงสอนเวน ย, ยชนให้กำจัดศัตรูภายในจิตใจตนเองได้แก่ความโลภความโกรธความหลงความเห็นว่าเป็นตัวของตนความกระหายอยากในความเพลิดเพลินความกระหายอยากในสิ่งที่มีการเสื่อมไป พระองค์มิใช่ช่วยให้พ้นจากอสูรตนใดตนหนึ่งหากทรงช่วยให้พ้นจากทุกทั้งปวงความทุกนั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปความไม่รู้เป็นเครื่องบดบางมิให้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุก จึงคงอยู่และผู้นั้นก็จมดิ่งในห่วงน้ำแห่งความทุกข์ไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมาได้ทางที่จะพ้นทุกนั้นก็ด้วยวิธีกำจัดภพหรือความเกิดเมื่อกำจัดความทยานอยากและความหลงผิดในมายาให้สิ้นแล้วก็บรุถึงแดนสันติคือพระนิพพาน ซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลทุกและพระสัตว์ธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะ น, นั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้มิใช่กล่าวตามคำบอกเล่าของสมณะพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งมิใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่ เราแสดงตามที่ได้ประสบตรัสรู้มาด้วยตัวเองว่าสิทธิได้ฟังคำปราดมาก็มากแต่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นคำสอนอย่างใหม่ที่นางไม่เคยฟังมาก่อนบางข้อก็ยังไม่สู้เข้าใจนักเช่นเรื่องตัวตนความว่างจากตัวตนกระนั้นก็ให้บังเกิดความปิติสุข ความรู้สึกน้อยใจในเคราะไรได้หมดสิ้นไปเกิดความสว่างขึ้นว่าอันที่จริงสรรพสัตว์ไม่จำต้องเสวยทุกข์อยู่เรื่อยไปหากชำระ ด, ดวงจิตให้พองแผ่จากเหตุแห่งความเศร้าหมองแล้วก็ยอมบรรลุภูมิความสิ้นทุกข์ทั้งหมดแล้ววาสิถีก็สลดใจเมื่อระลึกได้ว่าในสถานที่นี้นางและกามนิษฐ เคยปฏิญญาขอพบกันในสวรรค์ตะวันตกเพราะบัดนี้มิได้ปรารถนาเช่นนั้นแล้วสวรรค์ที่เคยเข้าใจว่าเที่ยงแท้นั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ดังที่พระาศาสดาตรัสว่ามีเกิดก็มีตายทุกอย่างย่อมเสื่อมไปดอกฟ้าบนสวรรค์ก็เหมือนดอกไม้ทั้งหลายบนโลก ย่อมร่วงโรยไปนับแต่วันที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกวาสิถีก็ไปสู่เทวารายพระกิสนะเพื่อสดับพระธรรมเป็นประจำครั้นนานวันความเข้าใจและความเรื่มใสก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นข้างฝ่ายสาตาเคียน เมื่อกลับจากชำรักคดีพิพาทนอกพระนครคราวนั้นแล้วก็แสดงความชื่นชมต่อวาสิทธิในคำแนะนำอันเฉลียวฉลาดที่ยังผลให้สามารถปฏิบัติภาร ก, กิจได้โดยราบรื่นขณะเดียวกันก็มีประชาชนไปชุมนุมอยู่หน้าวังหลวงเพื่อกราบทูลพระเจ้าอุเทนถึงความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากโจร เมื่อความทราบถึงพระเจ้าอุเทนเรื่องโจรองคุริมานว่าที่แท้ยังไม่ตายแต่เป็นอุบายสาตาเขียนที่หลอกลวงคนทั้งหลายว่ามหาโจรนั้นถูกประหารชีวิตไปแล้วจึงทรงพระพิโรธและทรงฆ่าโทษแก่สาตาเขียนตายแล้วค่าต้องตายแน่ๆแล้ววาสิถี ท่านมีเรื่องอันใดหรือจงค่อยๆสงบใจของท่านแล้วลองเล่าให้แก่ข้าก็ก็ไอโจรชั่วองคุริมานนะสิมันยังไม่ตายและออกอารวาสหนักจนความทราบถึงพระราชาพระองค์ทรงพิโรธมากรับสั่งให้ข้านั้นไปจับกลุ่มองคุริมานให้ได้ในสามวันหาไม่ข้าจะมีโทษทันสถานหนักทีเดียวข้านั้นรู้เรื่องขององคุริมานดี ท่านอย่าได้เป็นทุกใจไปเลยเขาจะไม่ก่อเหตุปัญหาใดให้แก่ใครอีกแล้วแม้ทั้งแก่ตัวท่านเองเพียงท่านไปกราบทูลเชิญพระเจ้าแผ่นดินให้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เทวาลัยร้างในป่าประดูลายแล้วความยุ่งยากทั้งปวงก็จะคลีค่คลายง่ายๆเช่นนี้จริงๆหรือวาสิถีข้าเชื่อในตัวเจ้านะ และหากถ้าได้ผลจริงแล้วก็แม้เจ้าจะขอสิ่งไรข้าก็จะให้แล้วสาตาเคียนก็รีบไปเข้าเฝ้าโดยไม่ชักช้าพระเจ้าอุเทนก็ทรงเห็นชอบและเต็มพระหฤทัยที่จะทรงทาดังคำแนะนำของวาสิทถีโดยทรงเชื่อถือในสติปัญญาของนาง จึงมีรับสั่งให้จัดขบวนพยุหะยาตราประกอบด้วยช้างมา้าและเกวียนพร้อมด้วยมุขมนตรีเสนามหาดเล็กและโปรโดให้วาสถทิตามเสด็จด้วยเมื่อขบวนเสด็ยญาตราถึงป่าปดลายพระเจ้าอุเทนก็เสด็จเข้าไปในเทวาลายัยถวายบังคมกราบทูนพระพุทธเจ้าเรื่องโจรองคุลีมานด้วยความทุกข์ร้อนพระไทย พระพุทธเจ้าทรงสดับจนจบแล้วตรัสแก่พระเจ้าอุเทนดูก่อนมหาราชหากพระองค์ทอดพระเนตรเห็นองคุริมานปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดละเลิกฆ่าฟันปล้นสะดมได้เด็ดขาดถือมักน้อยบริโภคมือเดียวประพฤติอยู่ในทางที่ชอบมุ่งแต่ทางบุญกุศลดังนี้ พระองค์จะทรงทําประการใดข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระเจ้าจะเขารบนับถือเขาลุกขึ้นต้อนรับนิมนต์ให้เขานั่งแล้วถวายปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภคจัดหาที่อยู่อาศัยป้องกันภัยที่จะมีมาสู่เขาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าฉไนนบุคคลผู้มีใจทะมินหิ น, นชาติเช่นองค์ุริมานจะกลับเป็นคนเห็นแก่ธรรมได้เล่า พระพุทธเจ้าได้ชี้พระหัตถ์ขวาไปที่พระองคุริมานซึ่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างออกไปนักบพิษนี่คือองคุริมานฮา อ, องคุริมานพระเจ้าอุเทนทรงตกพระไทยแต่เมื่อทอดพระเนตรเห็นองคุริมานซึ่งห่มกาสาวพักสงบนิ่งอยู่ก็ชงนพระไทย และในที่สุดเมื่อทรงทราบแน่แล้วว่าไม่มีอันตรายจึงเสด็จเข้าไปหาโยมขอประกาศถวายอภัยโทษให้แก่ท่านและจักให้การอารักขาต่อท่านตลอดไปสาธุกุศลบุญของพระองค์ในครั้งนี้เราจักน้อมรับไว้เพื่ออุทิศตนมุ่งประพฤติแต่ในทางที่ชอบประกอบแต่บุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสืบไป ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระพุทธศาสนายิ่งนักจะขอถวายให้ความอุปถัมภ์แก่เหล่าพุทธบริษัททั้งปวงอย่างดีและขออุทิศถวายสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสำนักบำเพ็ญพรหมจรรย์อีกประการหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพุทธานุญาตจัดสร้างสถานที่อยู่ของคณะสงฆ์ขึ้นในที่นี้ เพื่อประโยชน์แห่งเราพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงด้วยเทินเราขออนุโมทนาสาธุต่อพระราชบัณาการของบุพิตรในครั้งนี้ขอพระองค์จงมีกุศลจิตเช่นนี้ต่อประสงนิก่อนและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสืบไปด้วยเทินสาธุสาธ า, า, าเกียน ตามที่ท่านได้ให้สัญญากับข้าไว้ว่าหากข้าขอสิ่งใดท่านจะให้ได้ทุกอย่างบัดนี้เรื่องได้คลี่คลายลงหมดแล้วข้าจึงอยากจะใคร่ขอต่อท่านว่าสิธีเจ้าจะขอสิ่งใดข้าก็ได้ทั้งนั้นข้าจะหาให้เจ้าข้านั้นไม่ได้มีความอยากหรือต้องการสิ่งใดๆอีกแล้ว ข้าจะขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาสาตาเขียนได้ฟังดังนั้นก็ให้มีอาการนิ่งซึมด้วยความอาลัยในความดีของผู้เป็นภรรยาแต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธวาสิทธีได้จึงยอมอนุญาตแต่โดยดี เมื่อขบวนเสด็จญ่าตรากลับไปแล้ววาสิทธีจึงยังคงอยู่ในที่นั้นและปวดเป็นภิกษุณีในวันรุ่งขึ้น สิทถีอยู่ในเพศบรรพชิตก็มันศึกษาพระธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกองค์สำคัญสำคัญอยู่เป็นประจำมันปฏิบัติธรรมอันป้องกันมิให้คิดถึงเรื่องทุกข์โทมนัสชำระมนทินความขุ่นมัวในดวงจิตให้เบาบางก็เกิดกำลังใจกล้าแข็งต้านทานเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงได้ ก็บังเกิดความสงบสุขเหมือนได้รับชีวิตใหม่เมื่อสิน้นฤดูฝนนี้ลงพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จจาริกต่อไปทางแกนตะวันออกวันหนึ่งพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายในเทวรยรรางนั้นพุทธบริษัททั้งหลายพึงระลึกและไตรตรองดูให้รู้ว่า สังขารทั้งหลายนั้นไม่มีตัวตนแท้จริงสรรพสิ่งล้วนไม่มีตัวตนที่จะให้ยึดถือไม่อาจเลือกให้มันเป็นตามใจได้ความปรารถนาเพื่อเกิดในพบใดก็าตามพบนั้นย่อมไม่มีสิ่งให้ยึดถือได้เลยสูงลิ้วไปจนถึงความสว่างสวัยอันล้ำเลิศแห่งสวรรค์มีเกิดแล้วก็มีดับ พึงรู้ว่าทุกสิ่งอันมีเกิดขึ้นนั้นในอนาคตยอมดับไปแม้กระทั่งรัศมีมหาพรหมเมื่อจบเทศนาแล้วโปรดให้สาวกเข้าเฝ้าถวายอภิวาทคราวรักคนเพื่อรับพระพุทธวจนะเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้เกิดปัญญา เมื่อถึงเวลาพิสุนีวาสิทธีได้ถวายอภิวาทตอยู่แทบเบื้องพระบาทเธอมองเห็นและรู้สึกว่าแววพระเนตรของพระองค์ได้ฉายวา่าบอาบเข้าไปในดวงจิตดูก่อนวาสิทธีตถาคตขอให้พิจารณาบทธรรมะนิไว้คือที่ได้มีความรัก ที่นนมัมมควาุกข์เท่านั้นหรือพระเจ้าค่ะเท่านั้นพอเหมาะแล้วเมื่อข้าพระองค์เข้าใจในพระโอวาสนี้ดีแล้วจะประทานอนุญาตให้จาริกไปเฝ้าเพื่อรับพระโอวาสสูงขึ้นไปอีกได้หรือไม่พระเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าจําเป็นก็อนุญาต ข้าแต่พระผู้มีพระภาคชไหนข้าพระองค์จะเห็นว่าไม่จำเป็นเล่าก็พระพุทธองค์มิใช่เป็นที่พึ่งของพวกข้าพระองค์ดอกหรือจงถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเถิดข้าพระองค์จะถือปฏิบัติด้วยความแน่วแน่แต่ด้วยพระพุทธองค์คือองค์พระธรรมอันมีชีวิตและประธานอนุญาตแล้ว ข้าพระองค์จะจาริกไปเฝ้าหากเธอไม่ย่อท้อต่อหนทางไม่มีหนทางใดอาจก่อความย่อทอ้อแก่ข้าพระองค์ได้พระเจ้าค่ะหนทางนั้นยาวไกลวาสิถีไกลเกินกว่าที่เธอคาดคะเนไกลเกินกว่าความนึกคิดของบุคคลจะอย่างถึงข้าแต่พระผู้มีพระภาค แม้ว่าโดยหนทางนั้นต้องผ่านด้วยจำนวนนับพันพบพันชาติข้าพระองค์ก็จัไม่ยออ่อท้อดีแล้ววาสิทถีจงตั้งจิตพิจารณาบทธรรมะนั้นให้จงดีภิกษุนีวาสิทธีให้รู้สึกน้อยใจว่า เธอได้รับประทานพระโอวาทเพียงสั้นๆง่ายๆไม่ลึกล้ำเหมือนที่คนอื่นได้แต่ก็คิดว่าพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้อัธยาศัยของแต่ละบุคคลของประทานโอวาทให้เหมาะแก่ตนแล้วดังนั้นหลังจากทรงเสด็จในวันรุ่งขึ้น เธอก็ตั้งใจพิจารณาบทธรรมข้อนั้นเป็นอย่างดีไม่ช้าไม่นานนักภิกษุณีวาสิทธิก็รู้แจ้งในความมุ่งหมายของพระพุทธวจนะนั้น